ชีวิตของพลอยก็ย่างก้าวเข้าสู่แผ่นดินใหม่แผ่นดินของรัชกาลที่8ปดและเป็นแผ่นดินที่สี่ในชีวิตของพลอยพลอยเริ่มชีวิตในแผ่นดินที่สี่ด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นอยู่ในวัยชาราพลอยมีอายุได้ห้าสิบเศษแต่อาศัยที่ภายในชั่วชีวิตของตนได้ผ่านมาแล้วถึงสามแผ่นดิน และเหตุการณ์ทั้งปวงได้พันผวนเปลี่ยนแปลไปอย่างรวดเร็วทำให้พลอยเห็นได้ว่าตนได้ใช้ชีวิตมานานนักหนาเมื่อพลอยยังเป็นเด็กรุ่นสาวอยู่ในวังได้เคยพบคนที่สามารถจะอ้างได้ว่าเคยอยู่มาถึงสามแผ่นดินแล้วในรัชกาลที่ห้านั่นเองคือเกิดแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือได้เคยเห็นเจ้านายซึ่งเป็นลูกเธอในรัชกาลที่สอง ยังมีพระชนอยู่มาถึงรัชกาลที่หกเช่นสเสด็จพระองค์แม้นเขียนซึ่งพลอยก็เคยนึกอยู่ว่าท่านเหล่านั้นอายุยืนนักหนาและเป็นคนแก่ชาราสุดที่จะประมาณต่อมาถึงรัชกาลที่หกเมื่อพลอยออกครองเรือนเป็นผู้ใหญ่เกือบจะพูดได้ว่าไม่มีใครอายุเกินสามแผ่นดินคนที่เกิดในสมัยรัชกาลที่สี่นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุในสายตาของพลอยทั้งสิ้น แต่บัดนี้พรอยเป็นคนที่ได้ผ่านมาแล้วถึงสามแผ่นดินมีอายุอยู่ต่อมาจนย่างเข้าแผ่นดินที่สี่เรียกได้ว่าเป็นคนสี่แผ่นดินอย่างเต็มปากความรู้สึกตัวว่าตนเป็นคนที่ย่างเข้าสู่ปูนเชรานั้นก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันพรอยใจหายเมื่อตาอัสเอาพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่มาให้ดู เพราะว่าพระองค์ยังทรงพระยาวนักยิ่งมองดูพระบรมรูปก็ยิ่งรู้สึกจับใจความจงรักภักดีในตัวนั้นไม่มีทางเสื่อมสลายคลายลงไปเพราะพระเจ้าอยู่หัวราชการนี้เป็นพระโอรสทูลกระหม่อมฟ้าที่พลอยรู้จักแล้วก็ได้เคยเห็นตั้งแต่อยู่ในวังและต่อมาแม้เติบโตออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังได้ยินพระกิตติคุณ เรื่องลือจากปากคนทั่วไปอยู่เสมอความรู้สึกที่บังเกิดเมื่อเห็นพระบรมรูปนั้นพลอยเองก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่าแต่ก่อนแต่ไรเมื่อผลัดแผ่นดินใหม่เจ้านายที่ทรงรับราชทายาทเสด็จขึ้นเถลิงถวันราชสมบัติก็เป็นเจ้านายที่เจริญพระชนส่าแล้วทุกพระองค์แต่คราวนี้เป็นคราวแรกที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาวยังเล็กนักในสายตาพลอย ถึงแม้ความจงรักภักดีของพลอยจะมีต่อแผ่นดินนี้ไม่น้อยไปกว่าแผ่นดินก่อ น, อนแต่ความยำเยงเกรงกลัวมิได้ผุดขึ้นมาในหัวใจเลยตรงกันข้ามความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ผูกมัดใจได้มากกว่านั้นกลับเกิดขึ้นมาแทนนั่นคือความรักอันเป็นส่วนตัวห่วงแหนเหมือนกับว่าในหลวงราชการที่8ปดเป็นบุคคลที่เป็นของพลอยแท้ๆ เป็นบุคคลที่พลอยต้องเฝ้าดูความเจริญเติบโตด้วยความสนใจความรู้สึกว่าในหลวงมีพระชนสาเพียง 8-9 ถึงขวบเป็นกัม้าพระราชบิดาและกำลังประทับอยู่ในต่างประเทศทำให้พลอยบังเกิดความสงสารแล้วก็ห่วงใยจับจิตจับใจพลอยนั่งมองพระบรมรูปเล็กๆที่ตาอ๊อดไปหามาให้อย่างสนใจพยายามมองดูอย่างละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกล พระพักที่แลเห็นนั้นละไม้คล้ายคลึงกับสมเด็จพระราชบิดาเมื่อครั้งยังทรงพระยาวและความละไม้คล้ายคลึงนั้นยิ่งเป็นข้อผูกมัดพลอยให้เกิดความรักความเอ็นดูมากขึ้นไปอีกด้วยความรู้สึกที่ว่าตนได้เคยเห็นมาแต่ทูลกระหม่อมพระราชบิดาและได้เคยเห็นอย่างใกล้ชิดมาแต่ยังทรงพระยาวเจ้าประคุณเอ้ย ยังเล็กนักทุนกระหม่อมแก้วยังเล็กเหลือเกินใครจะไปรู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรน่าสงสารนักน่าสงสารเหลือเกินแม่สงสารใครแต่ออซึ่งกาลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อีกทางหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาถามสงสารในหลวงในหลวงเล็กแผ่นดินนี้อ้าว ไปสงสารท่านทำไมล่ะแม่เพิ่งสเสวยราชท่านนั้นเองอยังไม่ทันเลยเลยแม่ก็สงสารเสแล้วแต่ออดพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็ไมไปด้วยความปราณีพรอยรู้ตัวว่าเดี๋ยวนี้แต่ออทปลักแล้วก็ปราณีตนเหมือนกับว่าพรอยเป็นเด็กคนหนึ่ง <c oughs> ที่จะออทต้องคอยดูแลแล้วก็ต้องคอยเอาใจแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่า พอเห็นพระบรมรูปก็ใจคอหายท่านเหมือนทูลกระหม่อมแดนเมื่อทรงพระเยาว์เป็นพิมพ์เดียวกันแล้วก็สงสารสงสารจับกิจจับใจ จ, บใ จ, จะเป็นเพราะยังทรงพระเยาว์เกินไปหรืออะไรก็ไม่รู้ได้แต่ในใจนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าใครเขาจับเอาลูกหลานที่ตัวเล็กๆ เ, เ, เอาไปกดขี่ไปเล่นรังแกแต่ออถหัวเราะแม้จะคิดมากไปเสียกระมัง ท่านเป็นในหลวงใครจะไปเล่นเมืองแกท่านได้รัฐธรรมนูญของพี่อั้นก็ยังบอกไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะบูชาใครจะมาละเมิดมิได้เล่นรังแกในหลวงก็เห็นจะถือว่าเป็นละเมิดพระมหากษัตริย์กระมังแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหลอกออสแม่ไม่เข้าใจหรอกเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรของตอาอั้นนี่ทีแรกแม่นึกว่าเป็นคนชื่อพระธรรมนูญด้วยซ้ํา แม่รู้แต่เพียงว่าชีวิตของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาถ้าดูเผินๆจะว่าสุขก็สุขนะักแต่ถ้าดูให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วสู้เป็นอย่างเราเราก็ไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินต้องระวังพระองค์ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเสวยจะบรรทมจะทรงทําอะไรก็อยู่ในกรอบไม่เห็นจะเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในหลวงพระองค์นี้ยังทรงพระเยาวนะ์นัก อดคิดให้ดีๆเถิดนี้ถ้าท่านเกิดมาเป็นลูกคนธรรมดาสามัญถ้าเป็นเด็กก็กำลังเล่นกำลังกินต่อไปเติบโตขึ้นมาก็หาความสุขได้อย่างคนธรรมดาไม่มีใครสนใจแต่พอเป็นในหลวงเข้าก็หมดกันเหมือนกับถูกเขาจับตั้งไว้บนหิ่งพระแต่ยังเล็กถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ หรือบ้านเมืองเหมือนสมัยก่อนแม่ก็จะไม่ว่าอะไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ท่านยังเล็กนะักเล็กเหลือเกินแม่จึงมดสงสารไม่ได้การผัดแพ่นดินใหม่จากรัชกาลที่เจ็ดมาเป็นรัชกาลที่แปดนั้นดูเงียบเหงาในสายตาของพลอยเพราะการผัดแผ่นดินทางกฎหมาย โดยที่รัชกาลก่อนยังไม่ได้เสด็จสวรรคตและพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินใหม่ก็ยังทรงพระเยาวและประทับอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นการผลัดแผ่นดินจึงเป็นไปโดยเงียบเชียบปราศจากพิธีรีตองไม่มีงานพระบรมศมพไม่มีงานไว้ทุกข์ทั้งเมืองไม่มีงานพระบรมราชาพิเศษทุกอย่างเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการผลัดแผ่นดิน ตามความรู้สึกเชื่อถือของพลอยเมื่อปราศจากสิ่งเหล่านี้พลอยก็เพลอคิดไปได้บ่อยๆว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเก่าไม่มีเปลี่ยนแปลงพลอยเริ่มแผ่นดินใหม่ในชีวิตของตนด้วยความรู้สึกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแต่แผ่นดินใหม่ที่ได้เริ่มต้นขึ้นนั้นทําให้พลอยมีความหวังแล้วก็หมดความวิตกกังวลลงไป เรื่องสําคัญที่อยู่ในใจของพลอยก็คือเรื่องของตาอน้นหลังจากที่ได้เป็นปัญหาสงสัยมานานว่าผู้ที่ได้รับคําพิพากษาต้องโทษประหารชีวิตในคดีกระบท2476นั้นจะต้องถูกประหารจริงตามคําพิพากษาหรือไม่ปัญหานั้นดูเหมือนจะมีคําตอบที่แน่นอนขึ้นมาบ้างคือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวราชการก่อนได้สละราชสมบัติไปแล้วก็มีได้มีใครหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอีก ตา อ, อนและก็คนอื่นๆที่ต้องโทษประหารก็คงอยู่ต่อไปในเรือนจำพรอยก็ทำใจซะแล้วในเรื่องของตา อ, อน้นคือไม่อยากจะหวังอะไรมากถึงแม้ว่าตา อ, อนจะต้องถูกจองจำหมดโอกาสที่จ ะ, ะดำเนินชีวิต ต, ตามปกติมาบวชเรยียนมีลูกมีเมีมอยอย่างเช่นคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะแต่พรอยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอีก เพราะการที่ตาอ้นยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นของมีค่าพอเพียงแล้วสําหรับพลอยถึงแม้ว่าจะอยู่ในคุกแต่ก็ยังสามารถจะไปเยี่ยมเยียนได้เมื่อคิดถึงแล้วก็ส่งข้าวของไปให้ได้ทุกครั้งเท่าที่นึกอยากจะส่งไปเมื่อความกังวลเรื่องชีวิตของตอาอ้นเพ่าๆลงไปเพราะจําทําใจได้ถูกนะคะพลอยก็มีเวลาที่จะหันมาดูลูกคนอื่นๆของตนและบรรดาญาติรวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบตัว ในส่วนของผู้ใหญ่ฝ่ายคุณเปรมนั้นคุณเนียนและคุณนุ้ยได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งสองคนสองคนนี้ก็คือเป็นอาของคุณเปรมนะคะที่เป็นธุระจัดการให้พลอยเนี่ยได้แต่งกับคุณเปรมคุณเนียนซึ่งเป็นคนเจ็บกระสอบกระแสะมานานได้ตายไปก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สักปีเศษพอจัดการศพคุณเนียนเสร็จลงคุณนุ้ยซึ่งชรามากก็มาตายลงไปอีกคน หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่เท่าไรคนที่ยังเป็นผู้ใหญ่กว่าพลอยจึงยังเหลืออีกเพียงแค่สองคนนะคะนั่นก็คือคุณอุ่นและก็นางพิษซึ่งตอนนี้ทุกคนในบ้านรวมทั้งพลอยนะคะก็เรียกว่าใหญ่พิษหรือว่ายายเฉยๆคุณอุ่นนั้นสุดโโรงไปตามสภาพของสังขา แต่ว่าคุณอุ่นเป็นคนชอบอยู่กับพี่คือชอบนั่งอยู่ในห้องเฉยๆมาตั้งแต่ยังเป็นสาวจนแก่เพราะฉะนั้นถึงคุณอุ่นจะแก่ชาราลงไปอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ใครรู้สึกมีแต่ประภัยซึ่งเดี๋ยวนี้ดูจะห่างเหินไปแล้วก็ไม่ค่อยจะไปที่เรือนคุณอุ่นเหมือนแต่ก่อนพอพลอยถามประภัยก็ตอบแบบเบื่อๆบอกว่าคุณป้าแก่เหลือเกินจนเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่อง เห็นประภัยเป็นเด็กไม่รู้จักจบจากสิ้นความชราก็ทำให้เยพิษเปลี่ยนแปลงไปมากเยพิษซึ่งอายุร่วมเกสิบไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปไหนมาไหนนอกจากนั่งอยู่ในห้องที่พลอยจัดให้อยู่แล้วก็มีเด็กคอยดูแลปรนิบัติหาข้าวหาน้ำให้กินเยพิษซึ่งเคยเป็นคนกระชับกระเชงแข็งแรงตอนนี้ก็กลายเป็นคนแก่ ที่ได้แต่นั่งตำห ม, มากอยู่กับห้องแต่สติปัญญาและความจำยังมีอยู่บริบูรณ์และสำหรับยายพิษพลอยก็ยังเป็นคุณพลอยเด็กที่แกเคยเลี้ยงมานั่นเองการเปลี่ยนแปลงในสภาพฐานะและจานวนปีที่ผ่านไปก็ไม่ได้ทำให้พลอยเปลี่ยนแปลงไปจากสายตาของยายพิษนะคะขณะนี้ยายพิษไม่มีหน้าที่การงานใดๆที่จะต้องทำ พลอยเห็นว่ายายพิศเป็นคนเก่าแก่แต่ครั้งแม่แล้วก็เป็นคนที่ได้เลี้ยงพลอยมาแต่เล็กพลอยจึงเลี้ยงดูยายพิศด้วยความกระตันอยู่พยายามหาความสุขให้ยายพิศทุกทางเมื่อยายพิศแก่ลงพลอยรู้ดีว่ายายพิศมีความสุขมากทุกครั้งที่ตนไปเยี่ยมที่ห้องแล้วก็นั่งคุยด้วยดังนั้นพลอยจึงพยายามหาเวลาไปหายายพิศบ่อยๆและทุกครั้งที่ไปหา พลอยก็ดูเหมือนจะมีความสุขใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ายายพิศเป็นสายโซ่เส้นเดียวที่ยังโยงชีวิตของพลอยในปัจจุบันให้ติดต่อกับความหลังทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาแล้วนานหนักหนาะยายพิศชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็นำเอาตัวบุคคลที่ตายไปแล้วมาเปรียบเทียบกับคนรุ่นที่เกิดมาทีหลังลูกของพลอยทุกคนยายพิศก็มักจะเปรียบเทียบกับคนแต่ก่อน ว่าคนนั้นเหมือนใครคนนี้เหมือนใครเป็นต้นว่าตาอั้นนั้นยายพิทก็ดูแล้วก็พูดว่าคุณอั้นนั้นหน้าตามาทางคุณพลอยแต่ใจคอไม่เหมือนบ่าว่าไปทางเจ้าคุณพ่อของคุณอั้นมากกว่าฉันเองดูไม่ออกหรอกพิทพิทว่าตาอั้นเหมือนคุณเพรมตรงไหนตรงนิสัยใจขอ เจ้าคุณท่านปึงปังทำอะไรทำจริงแล้วก็ชอบที่แปลกแปลกใหม่ๆคุณอั้นก็เหมือนกันอืมบางทีก็อาจจะจริงแล้วแต่ออสละคุณออสนั้นหน้าตาไปทางเจ้าคุณพ่อแต่ใจคอกลับไปเหมือนเอาคุณเพิ่มชั่วแต่ว่าคุณออสดีกว่าที่สุ ข, ขุมไม่เอะอะเก๊กมะเร็ เมื่อคุณเพิ่มยังเป็นหนุ่มบ่าวต้องคอยปราบเสมอเกะกะก็เท่านั้นเมาก็เท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงน้ำใสใจคอก็เผื่อแผ่มีเมตตาเหมือนกับคุณออสนั่นเองและประภัยละ่ะพิษปล่อยซักต่อเ้อคุณพรอยอย่าถือคนแก่เลยทูนหัวคุณถามมาบ่าวก็จะบอกให้ คุณประไพนั้นยิ่งสาวขึ้นมาก็เหมือนคุณพลอยราวกับพิมพ์เดียวกันแต่คุณพลอยใจคอเหมือนท่านฟาก์คโนนท่านฟาก์คโนนก็คือเจ้าคุณพ่อของพลอยคุณพลอยจึงดูเยือกเย็นไม่โกรธไม่โมโหไม่บูวางแต่คุณประไพนั้นบ่าวดูดูไปยิ่งเห็นเหมือนคุณแม่ของคุณพลอย ตรงนี้แหละที่หนักใจก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่พิษแม่ดีออกจะตายไปดีนะไม่มีใครดีเท่าแล้วเจ้าประคูลแต่คุณพลอยอย่าลืมว่าคุณแม่ของคุณแสนงอนก็เท่านั้นใจเร็วก็เท่านั้นแล้วก็เจ้าชู้เอาการอยู่ที่เดียวอย่าพิษพูดตรงๆนะคะอย่างที่รู้ว่า คือคือยายพิษก็มองว่าตัวเองเป็นคนแก่แล้วคนแก่จะพูดอะไรก็ได้แล้วก็อยู่กับพลอยมานานจนไม่มีอะไรที่จะถือโกรธกันอีกต่อไปก็กล้าพูดละ่ะพลอยก็ท้วงขึ้นทันทีว่าพิษก็ช่างเอาที่ไหนมาพูดอันนี้ท้วงขึ้นกับข้อหาที่ยายพิษบอกว่าแม่ของตนเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ยายพิษหัวเราะชอบใจแล้วก็โขก โ บ, บากในครบทองเหลืองนะคะก่อนจะบอกว่าคุณพลอยยังเล็กนักในตอนนั้นจะไปรู้อะไรบ่าวโตแล้วจะอยู่กับคุณแม่มากกว่าคนอื่นถึงได้รู้ใจกันดีว่าแต่คุณพลอยต้องคอยระวังคุณประภัยให้ดีก็แล้วกันบ่าวมันแก่เสียแล้วไม่อย่า ง, งั้นก็จะช่วยดูให้อีกคนนึงคุณประภัยก็สวยจริงๆเสียด้วยดูไม่ดีก็จะลาบาก เด็กเดียวนี้ไม่เหมือนตะก่อนหรอกพิษพอเขาโตแล้วเขาก็เลี้ยงตัวเขาเองฉันจะไปว่าอะไรก็กลัวเขาจะหาว่าไปยุ่งไม่เข้าเรื่องพูด อ, อย่างนั้นจะใช้ได้หรือแม่ลูกกันก็ต้องฟังกันมั่งสิคุณพลอยคุณซะอีกที่ใจดีไปหน่อยเท่านั้นเองถ้าคุณแข็งเข้าบ้างลูกเต่าก็ต้องกลัวต้องเกรงใจไปเองที่ไหนจะไปกล้าแล้วยายพิศ ก็นั่งบ่นพึมพัำไปอีกนานความจริงคำพูดของยายพิษที่ว่าประภัยเหมือนยายในนิสัยที่ยายพิษเรียกว่าเจ้าชู้นั้นสกิดใจพลอยอยู่ไม่น้อยเพราะขณะนี้ประภยัยโตขึ้นแล้วก็เป็นสาวเต็มตัวพอที่จะมีย่ามีเรือนได้แล้วก็อยู่ในวัยที่ทำให้พลอยต้องคิดมากแต่ประภัยก็ยังไม่ได้มีข้อทีออกมาชัดเจนว่าสมัครใจจะมีเรือนหรือยัง ประไพเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเพศเดียวกันและก็รุ่นบราวนคลาวเดียวกันมากจนพลอยแทบจะจำหน้าจำชื่อได้ไม่หมดว่าใครเป็นใครเพื่อนฝูงของประไพส่วนมากก็เป็นคนที่อยู่ในฐานะใกล้เคียงกันแล้วก็เคยเป็นนักเรียนมาแต่ครั้งประไพ ย, ยังเรียนหนังสือแล้วก็ยังคงคบหากันมาจนบัดนี้เพื่อนฝูงเหล่านี้ก็ไปมาหาสู่ที่บ้านเสมอบางทีก็รับประไพไปเที่ยวหรือไปงานต่างๆ ต, ต, ตามบ้านของตนบ่อยที่สุด พลอยเองก็ไม่ได้สนใจเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าต่างวัยกันทุกครั้งที่พลอยเข้าไปทักทายหรือคุยกับสาวๆเหล่านี้เสียงหัวรอดต่อกระซิบก็จะเงียบลงทันทีและต่างคนต่างก็พูดกับพลอยอย่างเก้อเขินทําให้พลอยต้องเก้อไปด้วยไปไปพลอยก็เลยเออ่ไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากนะักเพราะเกรงว่าตนเนี่ยจะเป็นคนที่ไปขัดความสนุกสบายของลูก ขณะเดียวกันพลอยก็เป็นแม่ที่ใจดีนะคะปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยไปไหนมาไหนกับเพื่อนโดยอิสระถ้าเพื่อนเหล่านั้นเป็นหญิงด้วยกันแล้วก็ไปกันหลายๆคนพลอยก็ไม่ว่าแต่พลอยก็วางเงื่อนไขว่าจะไปไหนมาไหนต้องบอกกันส่วนในเวลากลางคืนนั้นห้ามไปเด็ดขาดนอกจากจะไปกับพี่ชายคนใดคนหนึ่งฉะนั้นในเวลากลางวางันประไพจึงมักจะมาขออนุญาตไปทเที่ยวบ้านเพื่อน ไปซื้อเสื้อผ้ากับเพื่อนแล้วก็ไปดูหนังกับเพื่อนซึ่งพลอยก็ไม่ค่อยขัดแต่เวลากลางคืนถ้ามีงานใดที่เพื่อนฝูงเชิญประไพก็ให้เพื่อนฝูงของตนเชิญตะอ๊อสหรือว่าตะอั้นด้วยแต่ตะอ๊อเป็นคนไม่ชอบไปงานประไพจึงต้องขอร้องให้ตะอั้นเนี่ยไปเป็นเพื่อนเสมอและตะอั้นก็มักจะตามใจน้องสาวไม่ค่อยขัด งานตอนบ่ายที่ติดต่อไปถึงกลางคืนนั้นเป็นงานชนิดใหม่ซึ่งพลอยก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อโดยมากมักจะเป็นงานวันเกิดงานฉลองครบรอบปีวันแต่งงานของเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วประไพเรียกงานเหล่านี้ว่าปาร์ตี้แล้วก็มักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าจะต้องไปปาร์ตี้ของคนนั่นบ้างคนนี้บ้าง และเมื่อจะมีงานปาร์ตี้ครั้งใดประไพก็จะต้องวุ่นวายโก ล, ลาหนซื้อผ้าตัดเสื้อแล้วก็ตัดเสื้อใหม่ทุกครั้งวันหนึ่งพลอยก็เลยถามตาออดว่าออดออดรู้บ้างไหมว่าไอ ง, งานปาร์ตี้อะไรของประไพนั้นน่ะเขาทำอะไรกันบ้างตาออดหัวเราะแม่จะไปกับเขาบ้างเหรอไม่ใช่แม่ถามจริงๆเพราะอยากรู้ เห็นประภัยก็พูดถึงบ่อยๆแม่ก็เลยสงสัยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันลูกก็ไม่เคยรู้ว่าเขาทําอะไรกันเหมือนกันก็เห็นเขาเชิญคนไปแยะๆแล้วก็มีของเลี้ยงมีหีบเสียงมีดนตรีแล้วก็นั่งคุยกันส่วนมากก็ดินทากันเองบางแห่งรูหราหน่อยก็มีเต้นรํามีเต้นรําด้วยแล้วใครเป็นคนเต้นใครที่เต้นเป็นก็เต้นไปสิแม่เย่ประภัยเคยมาขอให้ลูกหัดให้ แต่ลูกขี้เกียจเขาก็เลยไปขอให้พี่อั้นหัดดูเหมือนจะเป็นแล้วอะไรประภัยเต้นรําเป็นเหมือนกันเหรอแม่อย่าเอะอะไปหน่อยเลยเดี๋ยวเนี้ใครๆเขก็เต้นเป็นกันทั้งนั้นยิ่งผู้หญิงสาวๆรุ่นประภยัยเขาเต้นเป็นกันทุกคนดูสิเย่ประภยัยจะบอกกันสักคําก็ไม่มีแต่อั้นก็พอดีกันแล้วประภัยไปเที่ยวเต้นรํากับใครบ้างลูกจะไปรู้ได้ยังไงแต่แม่อย่าคิดมากไปเลย ประภัยจะไปไหนพี่อั้นเขาก็ไปด้วยเสมอมีพี่ชายคุมไปทั้งคนจะเป็นอะไรนักหนาถึงอย่างนั้นก็เถอะพลอยพูดอย่างไม่วางใจนะแต่ตาอ๊อฟก็ชวนคุยด้วยเรื่องอื่นแทนความรู้ใหม่นะคะที่ได้รับจากตาอ๊อฟทำให้พลอยมองดูงานปาร์ตี้ของประภัยด้วยความสงสัยจะห้ามเลยก็ไม่ได้ เพราะตะอาอนก็เป็นคนรับว่าจะไปด้วยทุกครั้งและครั้งใดที่ตะอั้นติดธุระประไพก็จะมาเคี่ยวเข็นอ้อนวอนตะอัศจนตาอัศต้องรับไปด้วยจนได้วันหนึ่งพลอยนั่งอยู่กับตาอัศสองคนคุยกันถึงเรื่องอาหารการกินแล้วก็การการกินกันอยู่ของตะอ้นที่อยู่ในคุกประไพก็เข้ามาหา หลังจากพูดเรื่องอื่นๆพอเป็นพิธีแล้วประภัยก็ตรงเข้าประเด็นว่าคุณแม่เดือนหน้าก็วันเกิดของประภัยแล้วแล้วยังไงลูกภ้ยอยากขออะไรคุณแม่สักอย่างแม่ก็เคยให้ของประภัยทุกปีแล้วปีนี้ลูกจะเอาอะไรพลอยถามอย่างอารมณ์ดีเพราะว่าอยากจะตามใจลูกสาวอยู่เหมือนกันนะคะภัอยากได้ พยอยากมีเอยอยากมีปาร์ตี้เชิญพวกเพื่อนๆมาที่บ้านประไพตอบแล้วก็เหลียวดูตาอดอย่างขอความเห็นตาอดยิ้มพยักหน้าแล้วก็ช่วยพูดให้น้องว่าพี่ก็เห็นด้วยประไพควรจะมีกับเขาสักทีจะได้ตอบแทนคนอื่นที่เขาเชิญเราไปหลายครั้งแล้ว ความเห็นของตาออดก็เลยทำให้พรอยเนี่ยไม่อาจจะทัดทานประภัยอย่างไรได้นะคะก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ถามว่างานอย่างนี้แม่ก็ไม่เคยจับสักทีประภัยต้องการอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างประภัยต้องคอยดูอย่าให้ขาดเหลือประภัยวิ่งเข้ามาไหว้เกือบถึงตักด้วยความดีใจ คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลูกจะจัดเองเวลายังอยู่อีกนานพอที่จะคิดตระเตรียมได้อีกมากคุณแม่ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเผื่อลูกต้องการอะไรลูกจะบอกมาแล้วพี่ออสช่วยบ้างก็แล้วกันประไพพูดทิ้งท้ายแล้วก็ออกจากห้องไปอย่างลิงโลดดีใจบอกว่านัดกับเพื่อนไว้พอประไพออกจากห้องไปแล้วพลอยก็ถามต่ออสว่าออสเมื่อกี้ออสพูดจริงหรือเล่นเอาแล้วกัน พูดจริงๆสิแม่แม่อย่าลืมว่าประภัยเขาโตเป็นสาวแล้วเพื่อนฝูงก็มากเดี๋ยวก็มีคนเชิญไปโนวนมานี่บ่อยๆเมื่อรับเชิญเขาไปแล้วจะไม่เชิญเขาตอบบ้างก็ดูไม่งามอีกอย่างหนึง่งแม่จะได้เห็นว่าคนสมัยนี้ก็มีการงานกันอย่างไรและเพื่อนฝูงของประภัยแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างความจริงลูกเห็นว่าประภัยเขาทําถูกเขาจะรู้จักใครหรือมีเพื่อนฝูงที่ไหน เขาก็พาเข้ามาในบ้านให้รู้จักแม่รู้จักพี่ของเขาเขาไม่ออกไปพบกันนอกบ้านแม่ก็ควรจะดีใจที่มีลูกสาวแบบนี้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อออดเห็นว่าน้องทาถูกก็ดีแล้วแม่จะได้วางใจได้และตั้งแต่นั้นมาประภัยก็เตรียมงานวันเกิดที่จะมีที่บ้าน เริ่มต้นในการเลือกเสื้อผ้าตัดชุดที่ที่เตรียมจะใส่พอได้ผ้าแล้วก็คิดแบบแล้วก็วุ่นวายไปจนตัดเสื้อเสร็จได้เสื้อแล้วประไพก็มาขอให้พลอยช่วยเลือกของแต่งตัวที่จะใส่ให้เข้ากับเสื้อต่อจากนั้นก็เตรียมอาหารเตรียมภาชนะโตะ๊ะเก้าอี้แล้วก็เครื่องใช้ต่างๆพลอยดีใจที่เห็นว่ายิงไกลวันเข้ามา ตาอัดและประภัยดูจะกลมเกลียวสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเพราะว่าประภัยต้องมาขอความช่วยเหลือจากตาอัดให้จัดโน้นจัดนี่ให้บ่อยๆซึ่งตาอัดก็รับทําให้ด้วยความยินดีทุกครั้งจนพลอยเห็นได้เองว่าเมื่อมีการงานที่จะทําแก่น้องสาวตาอัดดูเป็นคนขยันผิดสังเกตและหลังจากที่ได้ตระเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วงานวันเกิดของประภัยก็มาถึง ตอนบ่ายพอแดดร่มลมตกพลอยแต่งตัวเสร็จแล้วก็ออกไปนั่งที่สนามหญ้าหน้าตึกที่สนามนั้นมีโต๊ะเก้าอี้ตั้งเรียงรายโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งจัดวางไว้ที่มุมสนามสําหรับเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งมีอาหารหลายอย่างใส่จานวางเอาไว้เต็มพร้อมทั้งภาชนะแล้วก็ซ่อมช้อนที่จะใช้เวลารับประทาน พลอยเหลือบตาดูรอบๆอย่างพอใจค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประภัยจัดงานทุกอย่างแล้วก็สั่งการต่างๆด้วยตนเองโดยที่พลอยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ผลงานก็ดูจะเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องทําให้พลอยภูมิใจว่าลูกสาวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะดูแลจัดการงานได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สวยนะคะตอนนี้ประภัยถือว่าเป็นสาวเต็มตัว ประภัยแต่งตัวด้วยชุดสีชมพูอ่อนรับกับผิวเนื้อที่กำลังเปล่งปรั่งด้วยความเป็นสาวผมที่ดัดใหม่ด้วยเครื่องไฟฟ้าและน้ำยาดูรับกับใบหน้าประภัยผูกจี้ทับทิมโบราณของขวัญที่เจ้าคุณพ่อให้พลอยเมื่อครั้งโกนจุกซึ่งพลอยได้มอบให้เป็นของขวัญวันเกิดของประภัยในวันนี้ประภัยยืนอยู่กลางสนาม ตอนรับแขกที่กําลังทยอยกันมาด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วไม่เคอะเขินแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนทําให้พลอยนั่งนึกชมลูกสาวอยู่ในใจนะคะว่าสมัยที่ตัวเองยังสาวอายุเท่านี้เนี่ยคงไม่สามารถที่จะรับแขกได้ดีเท่าประไพประไพนั้นเป็นคนที่ไม่เคอะเขินและก็ไม่ขุ่ยอายมีความคล่องแคล่วในการเข้าสังคมนะคะต่างจากพลอยที่ค่อนข้างจะอายที่อายอยู่มาก แขกที่มานั้นก็มีทั้งชายและหญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับประภัยเป็นส่วนมากทุกคนแต่งกายเรียบร้อยตามสมัยนิยมแล้วก็มีกิริยาวาจาอันสุภาพพรอยแลเห็นก็รู้ได้ทันทีด้วยความโล่งใจว่าประภายนั้นรู้จักคบเพื่อนเลือกคนที่มีฐานะและก็สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับตนเองเพื่อนของประภัยทุกคนจึงดูไม่น่ารังเกียจและก็เป็นบุคคลที่พรอยเห็นว่าพึงต้อนรับได้ทั้งสิน้น วันนั้นมีแขกมาประมาณสัก3ามสิบคนเส็จเศษก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนหนุ่มสาวต่างคนต่างทักทายแล้วก็จับกลุ่มคุยกันอย่างคุ้นเคยเสียงพูดคุยสีมโฟเราะอย่างร่าเริงดังสอดคล้องกับเสียงดนตรีเพลงฝรั่งที่เปิดจากหีบเสียงใหญ่ซิงตั้งไว้ที่มุมสนามทุกคนมีห่อของ ข, องขวัญหรือดอกไม้มาให้ประภยัยซึ่ง พลอยเห็นแล้วเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะชมลูกสาวในใจว่าช่างแสดงอาการกิริยาดีใจและก็ชอบใจได้อย่างมากเป็นพิเศษทุกครั้งที่ได้รับของเหมือนกับว่าของนั้นเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ประภัยได้รับทุกครั้งไปคือเรียกว่ามีจิตจักรการที่พอเหมาะพอดีแล้วก็ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเนียนมากซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พลอยทําไม่เป็น พลอยนี่เป็นคนที่ขี้อายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีจริตจากการแบบผู้หญิงสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนเรียบร้อยพูดง่ายๆแต่ประภัยนี่โอ้โหเต็มตัวแร่วพร้าพอแขกมาครบประภัยก็ออกเดินนะคะแล้วก็คุยกับแขกทักทายตาอ๊อดกับตาอัน้นก็เดินทักทายปราสาทอยู่ทั่วๆไปแขกหลายคนถูกตาอ๊อดหรือว่าประภัยพาตัวมาทําความเคารพแล้วก็แนะนําตัวให้รู้จักกับพลอย พลอยก็ได้แต่ยิ้มแย้มทักทายพยักพยเยอดไปตามเรื่องแล้วก็ไม่สามารถจะจดจำได้นะคะว่าใครชื่ออะไรหรือว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครรู้แต่ว่าเป็นเพื่อนๆของประไพแล้วพลอยก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยเขาคุยกันเองตามประษาเด็กแต่ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะคะ ซึ่งคนนี้เนี่ยมีแต่แต่งกายแบบสากลอย่างชายหนุ่มคนอื่นๆที่มาในงานค่ะแต่ว่า น, นุ่งผ้าม่วงหางกระรอบสีตะกั่วตัดสวมถุงเท้ารองเท้านะคะแล้วก็เสื้อนอกเป็น เ, เสื้อนอกขาวคอปิดนึกออกนะคะติดกระดุมห้าเม็ดเรียบร้อยมากมองปัาบเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นผู้ดีมีตระกูลผิวพรรณดูมีสง่าราศีกิริยาท่าทางก็ดูจะถูกกับใจพลอยเป็นพิเศษ ประไพ ย, ยืนคุยกับชายหนุ่มคนนั้นอย่างเรื่นเบิงสักครู่หนึ่งแล้วก็พาชายหนุ่มคนนั้นเดินตรงมาทางที่พลอยนั่งพอมาถึงประไพก็แนะนำว่าท่านยังไม่ทรงรู้จักคุณแม่คุณแม่คะนี่ท่านชายน้อยคะ่ะท่านชายก้มเสียนยกหัดบังคมพลอยอย่างอ่อนน้อมแล้วก็ลดอ ง, งลงประทับที่เก้าอี้ใกล้ๆพลางรับสั่งว่า ชายชื่อสิทธิทเดชแต่ใครๆเขาก็เรียกชายว่าน้อยทั้งนั้นปรอยนึกอยู่แล้วนะคะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาพระรู้ว่าเป็นท่านชายเป็นเจ้าก็รีบยกมือขึ้นถวายบังคมท่านชายน้อยนั้นแต่งห น, นที่วางตัวดีมากๆนะคะในสายตาของพรอยถึงแม้ว่าจะเป็นคนหนุ่ม ที่อาจจะเป็นลูกหรือหลานของพลอยได้ก็ตามแต่ว่าเมื่อพลอยรู้ว่าท่านชายเป็นเจ้านายพลอยก็รวบรวมเนื้อตัวเข้ามาอยู่ในท่าที่สงบสงเงียมทําท่าเฝ้าแหนอย่างที่เคยมาตามภาษาชาววังนะคะที่คุ้นเคยกับการเข้าเฝ้าเจ้านายแล้วก็จะมีคล้ายๆกับว่ามีระเบียบหลักการนะที่ถูกต้องขณะเดียวกัน ท่านชายน้อยนั้นก็มีกิริยามารยาทที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่แล้วก็เรียบร้อยน่าดูสมกับเป็นเจ้าเป็นนายท่านชายรู้จักวางองแล้วก็รู้จักใช้ถ้อยคำที่พอสมควรทำให้พลอยซึ่งเป็นคนรักเจ้านายอยู่แล้วด้วยนิสัยดั้งเดิมเนี่ยรู้สึกดีใจที่กิริยามารยาทเหล่านั้นยังไม่ได้สูญไปในเจ้านายหนุ่มๆท่านชายก็รับสั่งบอกพลอยถึงพระนามของเสด็จพ่อ ซึ่งทรงเป็นต่างกรมพระองค์หนึ่งที่พลอยรู้จักดีพลอยถามขึ้นอย่างผู้ใหญ่ที่มักจะชอบถามถึงบิดามารดาของคนที่เป็นเด็กกว่าตนนะคะก็ได้รู้ว่าท่านชายนั้นเป็นโอรสของเจ้านายที่ตนรู้จักดีแล้วก็เคยเฝ้าแหนมาพร้อมๆกับคุณเปรมหม่อมแม่ของท่านชายเนี่ยก็เป็นคนที่พลอยเคยรู้จักมาแต่ในหวังการที่คุ้นเคยกับเออ่ สเสด็จพ่อแล้วก็หมอบแม่ของท่านชายก็ยิ่งทําให้พลอยรู้สึกเมตตาท่านชายมากขึ้นไปอีกแถมท่านชายยังบอกกับพลอยว่าเมื่อชายยังเล็กๆหมอบแม่ยังเคยพาไปวิ่งเล่นที่วังพญาไทเสมอท่านชายเล่าว่าเคยเป็นนักเรียนนอกรุ่นเดียวกับตาอั้นแล้วก็ตาออสรู้จักลูกของพลอยทั้งสองคนเป็นอย่างดีเคยเที่ยวเตะด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันกินนอนมาด้วยกัน พอกลับมาแล้วตาอั้นก็แนะนําให้รู้จักกับประภัยในงานแห่งหนึ่งแล้วก็ได้รับเชิญมาในงานบันเกิดของประภัยในวันนี้ท่านชายเล่าว่าสเสด็จพ่อสินประชนเสียแต่ท่านชายยังประทับอยู่ที่เมืองนอกตอนนี้ท่านชายจึงมีเพียงหม่อมแม่ซึ่งเจ็บเจ็บไข่ๆอยู่เป็นนิดนะคะส่วนเจ้านายที่เป็นท้องเดียวกับท่านชายนั้นก็ประกอบด้วยท่านหญิงอีกสององค์นะคะเป็นเจ้าพี่แล้วก็มีชายเล็กองค์นึง เป็นน้องชนษส า, ายอย่างน้อยเวลานี้ท่านชายประทับอยู่ที่วังกับหมอบแม่แล้วก็รับราชการอยู่ในกรมกองแห่งหนึ่งเป็นข้าราชการชั้นโทชั้นหัวหน้าแผนกข้อความต่างๆที่ท่านชายเล่าให้พลอยฟังตลอดจนกิริยามารยาที่สนิทสนมเป็นกันเองทำให้พลอยนึกรักแล้วก็เอนดูท่านชายเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆความรู้สึกนั้นเหมือนกับว่า ได้รู้จักกับท่านชายมานานจนคุ้นเคยแล้วเป็นอย่างดีท่านชายเสด็จมาวันนี้ก็ดีแล้ววันหลังขอเชิญเสด็จมาที่นี่อีกออดกับหม่อมชั้นอยู่บ้านเสมออันเขาต้องไปทำงานประภัยเขาก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่บางทีท่านชายจะไม่โปรโดคุยกับคนแก่อย่างหม่อมชั้นก็ไม่รู้ท่านชายทรงพระสวนก่อนจะรับสั่งว่าคุณหญิงยังไม่เห็นแก่เท่าไรเลยแต่ถึงอย่างไร ชายก็ชอบคุยกับคนแก่อยู่แล้วเห็นจะเป็นเพราะว่าชายอยู่กับคนแก่มาตั้งแต่เด็กสักพักสตออดก็เดินเข้ามาหาคุณแม่เอาท่า น, น้อยมาเก็บไว้ที่นี่เองท่า น, น้อยถ้าจะยังไม่ได้หวยอะไรกระมังเด็ดไปที่โต๊ะโน้นก่อนดีกว่าขืนทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะหมดเพื่อนๆยายประภยัยกินกันรากับอะไรดีตายละจริงๆแหละแม่ก็ลืมไป ท่านชายเด็ดไปหวยเสียก่อนเถิดมั้งคะหม่อมฉันก็ชวนท่านชายคุยเสียนานจนเผลอตัวไปท่านชายลุกขึ้นช้าๆพรางก้มองค์ลงถามพลอยว่าคุณหญิงจะรับประทานอะไรบ้างไหมชายจะตักมาให้โอ้โหพลอยก็ปลื้มมากรู้สึกเหมือนกับมีใครเอาน้ำเย็นมาลูบในหัวใจคือถึงพลอยจะอายุมากแล้วแต่พลอยก็ยังมีจิตใจของผู้หญิงอยู่ครบบริบูรณ์ชอบให้คนเอาใจใส่ ชอบให้คนปรนิบัติเอาใจเล็กๆน้อยๆเมื่อตอนเป็นสาวก็หาความเอาใจใส่แล้วก็การเอาใจจากคู่รักหรือสามีเมื่อพ้นอายุวัยหนุ่มสาวไปแล้วเขาชอบให้ลูกหลานหรือว่าคนที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยมาปรนิบัติเอาใจรอยยิ้มมองท่านชายอย่างปลื่มนะคะไม่เป็นไรหรอกมังค่ะท่านชายเวยก่อนเถิด หม่อมชันเองเมื่อไหร่ก็ได้ท่านชายก็เดินตามตะออสหายไปครู่หนึ่งแต่แล้วก็กลับมาที่พลอยอีกพร้อมทั้งอาหารนะคะที่ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำเย็นอีกหนึ่งแก้วโอ้โหทำให้พลอยเนี่ยตื้นตันในน้ำใจของเด็กคนนี้จนแทบจะกลืนอะไรไม่ลงงานวันเกิดของประภัยก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนประมาณห้าทุ่มแขกก็ทยอยกันกลับจนในที่สุด สนามที่เต็มไปได้วยเสียงเพลงแล้วก็เสียงหัวเราะก็กลับเงียบแล้วก็ว่างเปล่าเหลือแต่ไฟฟ้าสีต่างๆที่ส่องแสงสลัวอยู่ในความชื้นเยือกเย็นของอากาศตอนดึกปล่อยขึ้นบันไดช้าๆกลับขึ้นไปบนตึกเข้าไปในห้องนอนนั่งที่หน้ากระจกเงาบานใหญ่พิจะะนารณาดูรูปร่างสังขารของตัวเองที่ชราลงไปแล้วก็นึกถึงประภัย ที่กำลังเป็นสาวสวยเต็มบริบูรณ์ประภั ย, ย่องเข้ามาในห้องเบาๆสุดตัวลงนั่งคุกเข่าข้างๆพลอยเอาแขนพาดไว้บนตักพลอยแล้วก็บอกว่าไพขอเข้ามาขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็กราบลงบนตักพลอยยกมือลูบผมประภัยเบาๆสนุกไม่ลูกสนุกเหลือเกินที่ลูกได้สนุกสบายก็เพราะคุณแม่ของลูกใจดีที่สุด ไม่เป็นไรหรอกประภัยไม่ต้องขอบอกขอบใจอะไรแม่หรอกแม่ได้เห็นได้รู้ว่าลูกของแม่เป็นสุดก็พออยู่แล้วประภัยกอดพลอยอย่างแรงๆอย่างเรียกว่าเต็มรักนะคะแล้วก็บอกว่าจะกลับไปนอนก่อนที่ประภัยจะออกจากห้องพลอยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนประภัยท่านชายน้อยของประภายนั้นหน้าเอ็นดูเต็มทีประภัยหัวเราะกิ๊ก ประไพนึกแล้วว่าคุณแม่ต้องรักท่านน้อยอ่ะท่านกระต่วงกระเตียมเสียจนผู้ใหญ่รักทุกคนลคะค่ะวันหลังประไพชวนท่านเสด็จมาบ้านเราบ่อยๆก็ได้นะลูกแหมแต่ไม่ชวนยังเกือบจะมาดักพบประไพทุกวันอยู่แล้วถ้าออกปากชวนท่านมีขนของมาอยู่ที่นี่เลยเหรือคะแล้วประไพก็เดินร้องเพลงเบาๆออกจากห้องไปปล่อยให้พลอยนั่งนึกในใจอยู่คนเดียวว่าเด็กเดี๋ยวนี้พูดอะไร ไม่เห็นค่อยรู้เรื่องสักทีประไพจะได้ชวนท่านชายน้อยให้มาเที่ยวบ้านได้บ่อยๆหรือเปล่าอันนี้พลอยก็ไม่รู้แต่หลังจากงานวันเกิดของประไพแล้วเป็นต้นมาปรากฏว่าท่านชายก็เสด็จมาที่บ้านบ่อยๆตามที่พลอยได้ออกปากชวนเอาไว้ ตปกติท่านชายมักจะมาตอนเย็นๆเมื่อเสร็จจากราชการแล้วหรือถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ราชการหยุดท่านชายก็จะมาตะวันมาแต่ละครั้งก็มักจะประทับคุยอยู่นานๆและทุกครั้งที่มาก็จะต้องมาหาพรอยก่อนและถ้าเวลานั้นเป็นเวลาที่ประภัยอยู่บ้านพรอยก็จะสั่งเด็กคนใช้ให้ไปตามประภัยมาเฝ้าท่านชายทุกครั้งไป ในส่วนของตาอัน้นตาออสตลอดจนประภัยนั้นก็มักจะปฏิบัติตนกระทำไปในฐานเพื่อนที่ชอบพอกันถึงแม้ว่าจะใช้ราชาศัพท์แต่วิธีการพูดจาและกิริยาอาการที่แสดงต่อกันก็เป็นไปในฐานเพื่อนฝูงรุ่นบร่าคราวเดียวกันไม่มีการคารวะนอบน้อมอันควรแก่ชาติกำเนิดของท่านชายที่เป็นเจ้า ก็เรียกว่าการปฏิบัติตนของลูกๆ ก, กับพลอยเนี่ยห่างไกลกันมากนะคะแตกต่างกันพลอยนั้นยังถือว่าท่านชายเป็นเจ้านายอย่างเคร่งครัดตามประษาชาววังแล้วค่ะความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็ความรักความเอ็นดูที่มีต่อท่านชายก็ไม่ได้ทําให้พลอยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนไปอย่างใดทุกครั้งที่ท่านชายมาเยี่ยมพลอยก็จะทําท่าเฝ้าแหนอย่างสงบสงี่ยมถ้านอนเล่นอยู่ที่พื้น ก็เปลี่ยนเป็นขึ้นนั่งพับเพียบถ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ก็มักจะสำรวมแขนขาเข้ามาอยู่ในท่าที่ควรแก่การเฝ้าเจ้านายถ้อยคำที่ใช้พูดกับท่านชายก็ถูกต้องอย่างที่ชาววังแท้ๆที่จะใช้กันแต่การระมัดระวังตัวและถ้อยคำวาจา ก, ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคทำให้ท่านชายห่างกับพลอยเลยนะคะตรงกันข้ามนานวันเข้าพลอยก็ยิ่งนึกรักนึกเอ็นดูแล้วก็ยิ่งนึกชมท่านชาย ว่าเป็นเจ้านายได้จริงสมชาติกําเนิดเพราะว่าอาการกิริยาของพรอยที่เป็มไปด้วยความเคารพนอบน้อมนั้นไม่ได้ทําให้ท่านชายต้องเก้อเขินขววยอายอย่างที่เด็กหนุ่มนุมบางคนอาจจะเป็นแล้วก็ไม่ได้ทําให้ท่านชายเนี่ยวางท่าภาคภูมิหรือว่าถือโอกาสเอาการคารวะนอบน้อมนั้นเป็นเหตุที่ให้เห็นไปว่าพรอยเป็นคนที่อยู่ในฐานะต่ํากว่าตนท่านชาย กลับถือเอากิริยาของพลอยเนี่ยเป็นของธรรมดาที่สุดแล้วก็แสดงความนอบน้อมในฐานที่พลอยเป็นผู้ใหญ่พบกันทีไรท่านชายก็จะบังคมก่อนที่พลอยจะรีบยกมือขึ้นทันทุกครั้งไปและบิธีที่ท่านชายจะพูดจากับพลอยก็เรียบร้อยอ่อนหวานเหมือนกับท่านชายรับสั่งกับญาติผู้ใหญ่วันไหนที่ท่านชายเสด็จมาแล้วมีตะออตะอันหรือว่าประภัยอยู่บ้าน ท่านชายก็จะประทับคุยกับพลอยอยู่ครู่หนึ่งซึ่งพลอยก็รู้ดีนะคะว่าท่านชายเนี่ยประสงค์ที่จะพูดจาเล่นหัวกับเพื่อนๆที่เป็นลูกของตนมากกว่าจึงมักจะถอนตัวออกจากวงคุยอ้างชุระอื่นๆแล้วก็ทิ้งให้อยู่กันตามลําพังคนหนุ่มคนสาวแต่วันไหนที่ท่านชายเสด็จมาบ้านแล้วก็ไม่มีใครอยู่นอกจากพลอยท่านชายก็จะประทับรับสั่งกับพลอยได้เป็นเวลานานๆไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือว่ารีบร้อนที่จะลากลับ เหล่านี้ก็เป็นเหตุทําให้พลอยเนี่ยรักท่านชายประกอบกับท่านชายเป็นมิตรกับทุกคนในบ้านคือเป็นคนน่ารักกิริยามารยาทดีนะคะวันไหนที่พลอยรู้แน่ว่าท่านชายจะเสด็จพลอยก็จะเตรียมของเสวยอย่างเช่นขนมแล้วก็ผ ล, ลไม้ซึ่งพลอยก็จะปอกแล้วก็คว้านด้วยมือของตนเอง แล้วก็ใส่ครอบแก้วชามแก้วไว้ให้ของที่เตรียมเอาไว้ให้ท่านชายนั้นลูกเต้าคนไหนจะมาแตะต้องไม่ได้เป็นอันขาดนะคะเพราะว่าพลอยก็จะดุว่าเอาอย่างเอะอะทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งประภยัยพูดหัวเราะหัวเราะ อ, อย่างทีเล่นทีจริงว่าไผรู้แล้วละ่ะว่าในโลกนี้คุณแม่มีคนอยู่สองคนที่ใครแตะไม่ได้ใครขืนแตะต้อง คุณแม่เป็นต้องออ ก, กรับแทนทุกทีใครกันก็พี่ออสกับท่านชายน้อยไงล่ะคะประภัยพูดแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันเย่ประภัยหาความพ่อยร้องขึ้นดังๆแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้แม่ไม่ใช่คนลำเอียงถึงเพียงนั้นแต่ออสก็เป็นลูกคนหนึ่งแม่ไม่ได้รักมากไปกว่าลูกค น, นอื่นๆเลยและท่านน้อยละ่ะภัยเห็นคุณแม่เคยออกรับแทนออกไบ่อย อ้าวก็ท่านชายท่านเป็นเจ้าเป็นนายแล้วท่านก็ดีออกคุณแม่ก็เลยรักท่านจนหลงใช่ไหมล่ะคะประภัยพูดยั่วต่อไปจะว่ารักก็รักแต่ก็ไม่ได้รักเกินไปกว่าลูกประภัยรีบเข้ามาก่อนคุณแม่จะรักใครก็รักเลยคะ่ะภัยไม่ว่าคนใจดีอย่างคุณแม่ควรจะมีคนมารักมากกว่านี้อีกหลายร้อยหลายพันเท่า แต่ถ้าจะพูดไปแล้วท่านน้อยท่านก็น่ารักจริงๆไพเองก็ชอบท่านมากเหมือนกันคําพูดของประไพทําให้พลอยปริ่มอยู่ในใจได้นานพลอยเคยแอบคิดอยู่คนเดียวบ่อยๆว่าถ้าได้ใครที่พลอยรักเท่าท่านชายมาเป็นลูกเขยสักคนชีวิตของพลอยเนี่ยแหมคงจะมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว คนหนุ่มที่มีกิริยามารยาทช่างพูดช่างคุยเห็นใจแล้วก็รู้จักเอาอกเอาใจผู้ใหญ่รู้จักสงบสงเง่ยมไม่เหอเหิมหรือว่าเ อ, อะอะกระโตกกระตากจะนั่งจะลุกเดินเหินก็มีสง่าราศีน่าดูพลอยก็พยายามปฏิเสธกับตัวเองนะคะว่าเปล่าไม่ได้รักท่านชายเพราะว่าท่านชายเป็นเจ้าแต่ความจำเป็นที่ต้องปฏิเสธนั้นก็สอให้เห็นชัดอยู่แล้วว่า พลอยออกจะปลื่มเต็มที่ในโอกาสที่อาจจะได้ลูกเขยเจ้าก็เป็นได้ทั้งที่พลอยก็ไม่เคยปริปากพูดจาเรื่องนี้กับประภัยแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ท่านชายน้อยก็ไม่ใช่เพื่อนฝูงผู้ชายที่ประภัยรู้จักแต่เพียงคนเดียวในระหว่างนี้ค่ะตามภาษาสวยเลือกได้แล้วก็เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองอย่างสุดๆแบบประภัยนั้นมีหนุ่มๆ ม, มาเข้าคิวนะคะขายขนมจีบอยู่เพียบเลย และหนึ่งในนั้นก็คือคุณเสวีพรอยได้ยินประไพพูดถึงผู้ชายคนนี้อยู่บ่อยๆคุณเสวีเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงเดียวกับตาอัน้นและก็ดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญทั้งในทางตําแหน่งฐานะมากกว่าตาอั้นอยู่บ้างพรอยจับความได้จากคำบอกเล่าของประไพว่าคุณเสวีแก่กว่าตาอั้น3ามสีป่ปีเป็นนักเรียนนอกรุ่นผู้ใหญ่กว่าตาอัน้น และตอนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสําคัญอยู่ในบ้านเมืองยุคใหม่นะคะตาอั้นนี่ก็ค่อนข้างจะนับถือเลื่อมใสคุณเสวีอยู่มากดังนั้นประภัยซึ่งว่าอะไรก็ว่าตามตาอั้นแล้วก็นับถือตาอั้นมากเนี่ยก็เลยนับถือเลื่อมใสคุณเสวีตามไปด้วยคุณเสวีเคยมาบ้านพลอยสองสามผลในทํานองที่มาเยี่ยมตาอั้นและตาอั้นก็พามาให้รู้จักกับพลอย เท่าที่พลอยสังเกตดูในระยะเวลาอันสั้นคุณเสวีเนี่ยจะว่าไปก็เป็นคนวางตัวดีเป็นผู้ใหญ่สมกับวัยเป็นคนเงียบขรึมแต่เรียบร้อยหน้าตาท่าทางก็สมกับตำแหน่งฐานะควรที่ตาอั้นและประภัยจะนับถือได้มากแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรบางอย่างในตัวคุณเสวีที่ทำให้พลอยไม่สบายใจสักทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าตาของคุณเสวีนั้นไม่จับคนประการหนึ่ง คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยมองคนประการที่สองเวลาคุณเสวีเข้ามาในบ้านแล้วก็ขึ้นมาบนตึกเนี่ยคุณเสวีจะใช้สายตากวาดไปทั่วๆเหมือนกับตั้งใจจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดภายในบ้านว่ามีมากน้อยเพียงใดพรอยไม่เคยพูดจากับคุณเสวีมากนะักเพราะว่าคุณเสวีเป็นคนเงียบๆส่วนพรอยก็เป็นคน กระดาษคนแล้วก็นิสโรกลั ว, ลวคุณเสวีอยู่แล้วนะคะส่วนตาออดค่ะตาออดออกจากไม่ชอบใจแล้วก็ไม่พอใจคุณเสวีเอามากๆเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณเสวีมาหาขณะที่คุณเสวีนั่งคุยอยู่กับพลอยตาออดก็นั่งอยู่ด้วย คือนั่งอยู่กับพลอยแต่ไม่ได้สนใจที่จะมาพูดจากับคุณเสวีด้วยนะคะนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าไม่พูดด้วยพอคุณเสวีลากลับไปแต่ออสก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไอ้หมอนี่ลูกไม่ถูกสายตาเอาซะเลยคุณแม่แม่ก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรนี่ออสดูเขาก็เรียบร้อยดีเขาอาจ เ, เรียบร้อยแต่กับคุณแม่แต่ลูกเห็นมันวางท่าใหญ่โตชอบกลไม่ถูกชะตาเอาซะเลย ออก็เป็นสยอย่างนี้จะถูกใจไม่ถูกใจก็ควรจะนิ่งๆบ้างพูดให้แม่ได้ยินคนเดียวนะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะแต่อย่าเผลอให้พี่อั้นเขาได้ยินละ่ะเขาจะว่าเอาได้เพราะคุณเสวีเป็นเพื่อนของเขาดูเขานับถือกันมากบางทีเขาอาจจะมีอะไรดีอยู่บ้างกระมังพี่อั้นเขาถึงได้นับถือของเขานักแม่กลัวพี่อั้นไปได้พี่อั้นว่าใครดีก็เห็นดีตามไปหมด คอยดูไปเถอะไอหมอนี่จะทำความร้อนใจให้สักวันถ้าไม่ระวังตัวกันที่ดีลูกเชื่อตาของลูกมากกว่าใครทั้งนั้นออสนี่บทจะดื้อดันทุรังก็ดื้อเหมือนกับเมื่อยังเป็นเด็กๆ เ, เพื่อนฝูงที่ลูกๆพาเข้ามาในบ้านแม่ก็ต้องต้อนรับดีทุกคนเพราะเป็นเพื่อนของลูกแล้วคุณเสวีเขาก็ไม่เคยทำอะไรผิดแม่เพิ่งได้บพบเขาไม่กี่หนแล้วออจะให้แม่ไปเกลียดเขาได้ยังไงกันลูก ออสไม่ได้บอกให้แม่เกลียดออสบอกให้แม่ระวังหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวเจ้าหมอนั่นมาพี่นอพี่เทาข้อหน่อยแม่ก็จะหลงรักไปอีกคนหนึ่งเท่านั้นล่ะถ้าใครเขาดีแม่ก็รักทั้งนั้นพรอยก็พูดอย่างเป็นกลางนะคะแต่ตาออสก็แสดงอาการไม่พอใจแล้วก็ลุกไปเสียทางอื่นถึงแม้ว่าตาออสจะไม่พอใจคุณเสวีอย่างมากแต่ตาออก็ไม่เคยพูดจาเรื่องนี้กับ ตาอั้นหรือว่ากับประไพเลยนะคะคือตาออดไม่ชอบคุณเสวีมากขนาดไหนแต่ประไพและตาอั้นเนี่ยดูเหมือนจะชอบคุณเสวีมากเท่าๆกับความเกลียดของตาออดนั่นแหละคือไปกันคนละด้านคนละฝั่งกันเลยทุกครั้งที่คุณเสวีมาบ้านตาอั้นกับประไพเนี่ยจึงมักจะเป็นคนต้อนรับและก็นั่งคุยกับคุณเสวีไดานนาน้นานๆทุกครั้งไปตามปกติคุณเสวีมักจะนั่งคุยกับตาอั้นและประไพนะคะ คือนั่งคุยกับตาอั้นโดยที่ประไพเนี่ยร่วมวงด้วยแต่เป็นคนฟังแล้วประไพก็จะนั่งมองคุณเสวีอย่างเลื่อมใสเมื่อคุณเสวีกลับไปประไพก็มักจะเอาเรื่องคุณเสวีเนี่ยมาพูดกับพลอยเสมอในทำนองชื่นชมปราดเปิืม่มจนพลอยต้องถามขึ้นตรงๆว่าประไพชอบคุณเสวีมากหรือไยชอบมากประไพรับตรงๆนะคะ เพราะคุณเสวีเป็นผู้ใหญ่หน้านับถือคุยกับคุณเสวีแล้วภายได้ความรู้มากกว่าคุยกับคนอื่นๆําให้เห็นว่าคนอื่นๆ น, นั้นเป็นเด็กไปพูดคุยแล้วก็สนุกไปชั่วประเดี๋ยวแต่คุยกับคุณเสวีแล้วรู้สึกว่าตัวฉลาดขึ้นทุกทีคุณเสวีแก่กว่าประไพหลายปีอยู่นะถึงจะแก่กว่าเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่นับถือได้ คนอื่นๆที่เป็นเด็กนั้นก็ดีสําหรับสนุกด้วยกันแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไผชอบคนที่เขาจะแนะนําเราได้เป็นหลักให้เรายึดถือได้ปล่อยฟังแล้วก็ชักไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนประไพตกลงประไพชอบคุณเสวีแค่ไหนกันแน่คุณแน่นึกว่าภไยรักคุณเสวีแล้วละสิประไพพูดแล้วก็หูราะ อ, อย่างขบขันภไยยังไม่เคยนึกรักใครอย่างนั้นเลยค่ะ เรื่องนี้ภายต้องขอดูนานๆก่อนเพราะไม่แน่ใจตัวเองว่าจะรักใครได้ตลอดไปถึงเพียงนั้นแต่ถ้าภายนึกรักใครจริงๆภัยจะต้องมาบอกให้คุณแม่รู้เป็นคนแรกค่ะคำพูดของประไพทำให้พลอยต้องนิ่งไม่สามารถที่จะพูดอะไรต่อไปได้เพราะว่าประไพพูดออกมาเสียก่อนว่ายังไม่ได้นึกรักใครในทางนั้นพลอยก็เลยไม่มีทางที่จะตักเตือนแนะนาอย่างไรได้นะคะ เพราะว่าถ้าจะพูดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าพูดจาชักชวนให้ลูกสาวเนี่ยคิดหาสามีซึ่งพลอยก็จะกระดากใจแต่คำพูดของประัยก็ไม่ได้ทำให้พลอยคลายความหนักใจนะคะอันที่จริงพลอยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่มีความรู้สึกรักชอบบุคคลต่างๆมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ลักษณะ และการติดต่อของคนคนนั้นอีกอย่างพรอยก็เป็นผู้หญิงที่คือเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุเนาะมีกำลังใจกำลังความคิดที่ถูกปั่นทอนไปมากด้วยทุกต่างๆที่ต้องประสบมาในชีวิตเพราะฉะนั้นถึงแม้ ว, ว่าพรอยเนี่ยพยายามที่จะทำใจให้เป็นกลางไม่ให้ลําเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนกว่าจะได้เห็นความดีเลวผิดถูกของฝ่ายนั้นนั้นให้ชัดแจ้งแต่พลอยก็อดไม่ได้ที่จะลำเอียงมาทางท่านชายน้อยคือระหว่างท่านชายน้อยกับคุณเสวีเนี่ยแน่นอนว่าพลอยลำเอียงมาทางท่านชายน้อยนะคะด้วยความรู้สึกตรงไปตรงมาว่ารักท่านชายน้อยมากกว่าเพราะว่าอายุแล้วก็หน้าตา สมกับประภัยอันนี้คือด้วยเหตุและผลแต่ถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆพลอยก็มีความต้องการที่ไม่มีใครอธิบายได้นอกจากตัวพลอยเองนั่นก็คือความต้องการอยากได้ลูกเขยเป็นเจ้าอยากจะได้หลานเป็นราชนิกุลเป็นหม่อมราชวงศ์อันนี้ก็เป็นความต้องการที่เกิดจากความนิยมอันมี เ, เรียกว่า เป็นสิ่งที่มีต่อเนื่องกันมาในตัวพลอยตั้งแต่สมัยก่อนๆจากการที่พลอยเนี่ยเคยอยู่ในรั้วในวังตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความนิยมในในเจ้าเนี่ยมากกว่าคนอื่ น, นเมื่อมาเจอกับท่านชายน้อยซึ่งท่านก็เป็นเจ้าที่น่ารักเพราะฉะนั้นพลอยก็รีบเทคะแนนให้จนหมดหัวใจละคะ่ะในส่วนของคุนเสวีถ้าจะพูดถึงตำแหน่งฐานนะ กิริยามารยาตเท่าที่พลอยได้เห็นก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ารังเกียจหน้าตาก็สะอาดสะอ้านมีใช่คนขี้ริว้วขี้เรศถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่พลอยเห็นว่างามอย่างท่านชายน้อยคือถ้าเกิดว่าอ่านตามเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยผู้เขียนนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทิประโมทบรรยายภาพว่าท่านชายน้อยนี่นะเป็นคนหนุ่มที่งาม มีสง่าราศีผิวพรรณดีดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าไม่ใช่คนธรรมดาในขณะที่คุณเสวีก็ก็ไม่ใช่คนหล่อแต่ก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เรศนะคะก็เป็นคนที่ดูดีคนหนึ่งเป็นคนที่ผู้หญิงอาจรักได้ด้วยหน้าตาของคุณเสวีนั่นเองถึงแม้ว่าคุณเสวีเนี่ยจะแก่กว่าประภัยหลายปีแต่ประภัยก็บอกเองนะคะว่าชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ ที่นในส่วนความรู้สึกของตาออดที่เกี่ยวกับคุณเสวีคือใจพลอยเนี่ยเทมาทางท่านชายน้อยในขณะที่ทางคุณเสวีก็ไม่ค่อยมีอะไรคือคือไม่บวกไม่ลบแต่พอได้ฟังความรู้สึกของตาออดใจพลอยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งมาทางท่านชายน้อยมากขึ้นอีกนะคะเพราะพลอยรู้ดีว่าคำพูดของตาออดเนี่ยเป็นคำพูดที่ผุดพุ่งออกมาจากหัวใจโดยไม่มีเหตุผล อีกอย่างตาออดเป็นลูกคนที่พลอยรักมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคําพูดของตาออดจึงมีน้ําหนักสําหรับพลอยมากอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นค่ะพลอยรู้ว่าตาออดเนี่ยถึงแม้จะดูเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวสําหรับคนอื่นๆแต่ตาออดเป็นคนที่ดูลักษณะคนค่อนข้างเก่งคนที่ตาออดไม่ชอบแต่แรกนั้นในตอนท้ายก็มักจะแสดงนิสัยออกมาให้เห็นว่าตาออดเป็นฝ่ายถูก คือเป็นคนที่ชอบดูแล้วถูกดูถูกต้องอยู่เสมอนะคะความหนักใจที่เกิดขึ้นกับพลอยครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะพลอยรู้สึกตัวว่าตนมีความลำเอียงเข้าข้างท่านชายน้อยอยู่ในใจพลอยมีความเห็นมาแต่ดั้งเดิมว่าเรื่องการมีเย่าเรือนของลูกๆเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละคนโดยเฉพาะนะคะคนอื่นไม่มีสิทธ์เข้าไปเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าการแต่งงานของพลอยกับคุณเปรมถ้าดูผิวเผิน อาจจะดูเหมือนว่าเป็นไปตามอ่ า, อานนัดแลว้วก็การการจัดการของผู้ใหญ่แต่พลอยก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของตนเองอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคือถ้าเกิดพลอยไม่ตกลงเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่บังคับนะคะแต่พลอยตกลงไงผู้ใหญ่ก็เลยจัดให้เป็นไปตามนั้นดังนั้นพลอยจึงได้ทำใจเอาไว้แต่แรกว่าเรื่องการมีเย่ามีเรือนของลูกทุกคนพลอยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องชักนาก่อน แต่จะให้ความเห็นก็ต่อเมื่อลูกคนใดคนหนึ่งมาถามแล้วก็มาขอความเห็นหรือถ้าจะใช้สิทธิของความเป็นแม่ห้ามปรามก็จะใช้ต่อเมื่อคนที่ลูกได้เลือกเป็นคู่ครองนั้นแสดงออกมาให้ปรากฏอย่างแน่ชัดว่าคนคนนี้จะไม่นาความสุขคือจะไม่ทำให้ลูกมีความสุข น, นะคะถ้าเห็นได้ชัดเช่นนั้นเนี่ยพลอยก็จะห้ามปรามแต่คุณเสวีก็ไม่เคยทาอะไรให้เป็นที่น่าตาหนิหรือว่าควรแก่การบังเกิด และประภัยก็ไม่เคยมาไถ่าถามขอความเห็นจากพลอยพลอยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะขณะเดียวกันค่ะพลอยก็มีความต้องการอันค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวในเรื่องอยากได้ท่านชายน้อยมาเป็นเขยความรู้สึกในใจที่ขัดต่อหลักที่ตั้งใจจะยึดเหนี่ยวนั้นก็เป็นเรื่องที่ก่อความหนักใจให้กับพลอยได้มาก พลอยเฝ้สังเกตดูอาการกิริยาของประภัยที่แสดงต่อหน้าคนทั้งสองด้วยความหวังแล้วหวังอีกว่าประภัยอาจจะมีท่าทีหรือมีแววอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้พลอยเห็นว่าชอบท่านชายน้อยมากกว่าคุณเสวีบางครั้งการกระทําของประภัยบางอย่างก็ทาให้พลอยดีใจแล้วก็โล่งใจเป็นต้นว่าในบางวันที่พลอยรู้ว่าท่านชายน้อยจะเสด็จมาหาในตอนบ่ายพลอยนั่งปอกผลไม้เตรียมไว้ให้ ซึ่งพลอยเรียกว่าเอาไว้ตั้งเครื่องท่านชายประไพก็มักจะมานั่งอยู่ด้วยช่วยปอกผลไม้แล้วก็ช่วยจัดแล้วก็พูดคุยถึงท่านชายน้อยด้วยทอยคำที่สอให้เห็นว่าประไพเองก็นึกเอ็นดูท่านชายอยู่มากบางครั้งประไพก็บอกให้พลอยรู้ว่าท่านชายโปรดเสวยอะไรไม่โปรดอะไรและเมื่อท่านชายมาถึง ประไพก็จะต้อนรับด้วยอาการที่รื่นเริงเบิกบานดีใจที่ได้พบกับท่านชายแล้วก็พูดจาเล่นหัวกับท่านชายอย่างสนิทสนมการกระทําของประไพเช่นนี้ก็ทําให้พลอยสบายใจได้มากแล้วก็แอ บ, บมีความหวังว่าประไพเนี่ยจะรับไมตรีของท่านชายน้อยจะชอบท่านชายน้อยนะคะแต่ความสบายใจและความหวังอันเบรนลับของพลอยก็จะหมดไปทุกครั้ง เมื่อคุณเสวีมาที่บ้านเพราะว่าเมื่อก่อนถึงเวลาคุณเสวีจะมาถ้าประภัยรู้ล่วงหน้าประภัยก็มักจะแต่งตัวให้เรียบร้อยสวยงามเป็นพิเศษและพอคุณเสวีมาถึงประภัยก็มักจะมาอยู่ใกล้ๆไม่ยอมหาคอยฟังคําพูดของคุณเสวีด้วยความเลื่อมใสที่เห็นได้ชัดแล้วก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าคุณเสวีจะกลับแต่ออสก็รู้สึกหมั่นไส้น้องสาวมากเลยทีเดียวนะคะ บางครั้งถึงกับทำหน้าบึง้งไม่พูดจากับน้องสาวไปไหลายๆวันและวันหนึ่งตาออดก็อดรนทนไม่ไหวปรารบกับพลอยขึ้นมาว่าคุณแม่ลูกหมันไส้เย็บประภายเต็มทีแล้วเลื่อมใส่เอ้มหมอนั่นจนหน้าเกลียบคุณแม่จะห้ามบ้างซะไม่ได้หรออดอดก็ช่างไม่เห็นใจแม่บ้างเลยแม่จะไปห้ามเขาได้ยังไงล่ะลูก ในเมื่อเขาไม่เคยทำอะไรผิดออสเองก็เคยบอกแม่ว่าประไพโตแล้วไม่ใช่เด็กๆถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ถ้าลูกของแม่คบใครที่ไม่ดีแม่ก็ควรจะห้ามได้เรื่องดีไม่ดีเป็นเรื่องที่ออสเห็นไปคนเดียวแม่ก็จนใจถ้าจะถามประไพหรือพี่อั้นที่เขาชอบกันเขาก็คงว่าของเขาดีแม่จะไปพูดอะไรก็ยากเพราะเขาไม่เคยทาอะไรผิดให้แม่เห็น คำพูดของพลอยมีเหตุผลพอที่จะทำให้ตอาออเนี่ยต้องยอมจำนวนแต่ถึงจะยอมจำนวนต่อเหตุผลนะคะหากตอาออก็ไม่ยอมจำนวนในทางอื่นๆและเพราะเหตุที่ตอาออดไม่ชอบคุณเสวียอย่างรุนแรงนี้เองตอาออก็เริ่มดาเนินการไปอีกทางหนึ่งนั่นก็คือพยายามทุกทางที่จะช่วยเหลือท่านชายให้มีโอกาสได้พบปะกับประภัย มากกว่าคุณเสวีด้วยเหตุที่ตะอ๊อดไม่ชอบคุณเสวีอย่างรุนแรงก็ทำให้ตะอ๊อดเนี่ยพยายามทุกทางนะคะในการที่จะให้ประไพได้มีโอกาสพบปะกับท่านชายน้อยตะอ๊อดปกติแล้ว เป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านตอนนี้กลายเป็นคนพาน้องสาวออกเที่ยวพาไปซื้อของบ้างดูนังบ้างอยู่บ่อยๆพรอยรู้ดีว่าทุกครั้งที่ตอออออกจากบ้านกับประภัยก็จะมีท่านชายร่วมไปด้วยเป็นคนที่สามเสมอฝ่ายประภัยก็มีได้แสดงความรังเกียจในการที่จะมามาไหนไปไหนกับท่านชายให้คนเห็นนะนะคะระหว่างนั้นท่านชายก็เสด็จมาที่บ้านบ่อยขึ้นเปลี่ยนจากการมาเป็นครั้งคราว เป็นมาทุกวันในตอนบ่ายและเท่าที่พลอยสังเกตประไพก็ยินดีต้อนรับทำตัวสนิทสนมกับท่านชายแล้วก็นั่งคุยอยู่ด้วยนานๆจนกว่าท่านชายจะอำลากลับในตอนกลางคืนในที่สุดความเข้าใจก็เกิดขึ้นทั่วไปว่าประไพกับท่านชายนั้นรักกันมีหวังที่จะได้สมรสเป็นคู่ครองกันในวันหนึ่งข้างหน้าความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นในหมู่คนที่อยู่ในบ้านก่อน และต่อมาก็เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปในหมู่เพื่อนฝูงของประไผยจนในที่สุดข่าวเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพี่น้องของพลอยเองวันหนึง่งพอเพิ่มกับคุณเชยบังเอิญมาเยี่ยมพร้อมๆกันนะคะพลอยก็เลยชวนให้อยู่กินข้าวด้วยกันทั้งสองคนในระหว่างที่กินข้าวคุณเชยก็เอ่ยปากขึ้นก่อนว่าแม่พลอย ฉันได้ยินแววๆว่าแม่พลอยจะได้ลูกเขยเจ้าไม่ใช่หรอฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาหรอกคุณเชยเจ้าตัวเขายังไม่เห็นพูดว่าอะไรว่าแต่คุณเชยไปรู้มาจากไหนก็ได้ยินคนเขาพูดพูดกันถ้าจริงฉันก็จะดีใจด้วยฉันก็เหมือนกันแม่พลอยได้ลูกเขยมีชาติมีสกุลพ่อเคอยนอนตาหลับได้บ้าง ถ้าไปได้คนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนถึงตัวเขาจะดีเพียงไรฉันก็ยังว่าไม่น่าจะไว้ใจนะักความจริงท่านชายท่านน่ารักนะฉันได้พบท่านที่นี่หนสองหนยังอดรักท่านไม่ได้พอได้ข่าวว่าจะได้ท่านมาเป็นหลานเขย <c oughs> ฉันก็ออกจะปลื้มเต็มทีละฉันน่ะรักท่านชายเอามากๆทีเดียวละคุณเชิท่านดีพร้อมทั้งรูปสมบัติ อายุสกุลรุนชาติรุ่นชาจะพูดเรื่องเงินเงินทองๆอั่นกว่าดทานในจนนาเพราะเสด็จพ่อของท่านเนี่ยก็ทรงให้ไว้พอดูอยู่คิดดูทางไหนก็ดีทั้งนั้นแม้พลอยว่าอย่างไงล่ะถ้าจะพูดกันด้วยใจจริงฉันก็รักท่านชายมากเหมือนกันจนใครๆเขาพากันว่าฉันน่ะหลงท่านชายยิ่งกว่าใครทั้งหมดในบ้านนี้แต่คณะหล่ะเรื่องนี้ก็คงจะต้องแล้วแต่ใจเจ้าตัวเขา ฉันก็ยังไม่เห็นเขาพูดว่าอะไรให้แน่นอนออกมานะแต่เท่าที่ฉันดูด้วยตาก็เห็นว่าสนิทสนมกันดีแต่ถึงเวลาเข้าใครจะไปรู้ประไพเขาก็เคยบอกฉันแต่เพียงว่าเขาจะขอรอดูไปก่อนเด็กสมัยนี้เขาก็แปลกจะมีย้ามีเรือนเขาก็ดูของเขาเองสมัยเมื่อเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องให้พ่อแม่หาให้ไม่ได้หาเอาอย่างเดี๋ยวนี้ คุณเฉยได้ฟังพ่อเพิ่มพูดเช่นนั้นก็บอกว่าฉันละขวางคุณหลวงเสียจริงๆทีเดียวเฮ่ช่างปั่นหน้าพูดออกมาได้ว่ารุ่นเราเนี่ยพ่อแม่หาให้ฉันเห็นคนที่ผู้ใหญ่จัดให้จริงๆโดยเจ้าตัวเขาไม่เกี่ยวข้องก็มีแม่พลอยคนเดียวเท่านั้นของคุณหลวงคุณหลวงก็หาเอาเองไม่เห็นจะมีผู้ใหญ่ที่ไหนไปจัดให้พอเพิ่มร้องอทําท่าจะขัดคอ คุณเชยก็รีบพูดสวนควันขึ้นทันทีว่าไม่ต้องอะละฉันรู้หรอกว่าคุณหลวงจะพูดว่าอะไรฉันเองก็หนีตามหลวงโอสดไปใช่ไหมละ่ะฉันก็กําลังจะอยากพูดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้มาอวดตัวว่าตัววิเศษอะไรนักรอกแต่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างสบายคำน้อยก็ไม่เคยพูดให้แสลงใจกันฉันจึงว่าแม่พลอยเขาคิดถูกที่ปล่อยให้ลูกเขาคิดเอาเองไม่เข้าไปยุ่ง คุณหลวงกับคุณเชยนี่พอได้คุยกันทีไรเป็นต้องมีเรื่องทะเลาะ ก, กันทุกทีกี่สิบปีมาแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นก็คุณหลวงชอบพูดขวางหูฉันทุกทีนี่แม่พลอยฉันจะไปทนทานอะไรไหวแน่ดูคุณเชยสิอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาอลาวาทะเลาะ ก, กับฉันก่อนแล้วก็มาหาว่าฉันพูดขวางหูชอบเล่นลังแกฉันอย่างนี้แหละ ตั้งแต่เด็กมาจนแก่แล้วก็ยังไม่เลิกสักทีพี่น้องสามคนหัวร้อนขบขันตัวเองที่ต่างก็ไม่ทิ้งนิสัยเดิมนะคะแต่คำพูดของคุณเชยก็ดีของพ่อเพิ่มก็ดียิ่งทำให้พลอยแน่ใจยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านชายนั้นเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับประภัยมากที่สุดประภัยยังคงติดต่อกับท่านชายน้อยอยู่เรื่อยๆในช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านไป การติดต่อของประภัยและความสนิทสนมที่เห็นได้ชัดก็ยิ่งทำให้พลอยมีความหวังมากขึ้นในระหว่างนั้นข้างฝ่ายคุณเสวีก็ยังคงไปมาหาสู่ที่บ้านบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บ่อยเท่ากับท่านชายน้อยตาออดซึ่งพลอยรู้ว่าะเป็นฝ่ายสนับสนุนท่านชายน้อยอย่างสุดฝีมือนั้นก็ดูจะเบาใจลงไปมาก เมื่อเห็นว่าน้องสาวยินดีที่จะพบปะกับท่านชายน้อยทุกครั้งฉะนั้นในระยะนี้เมื่อคุณเสวีมาที่บ้านถึงแม้พรอยจะรู้ดีว่าตะออทไม่ชอบคุณเสวีแต่ตะออทก็มีได้แสดงความรังเกยียจหรือว่ารำคาญดังแต่ก่อนด้วยเหตุต่างๆนี้เองพรอยจึงรู้สึกแปลกใจและก็สะดุ้งจนตัวแทบลอยเมื่อตะอั้นมาพบแล้วก็พูดขึ้นในวันหนึ่งว่า คุณแม่คุณเสวีเขาให้มาทาบถามว่าถ้าเขาจะมาขอประภายคุณแม่จะขัดข้องหรือไม่ถ้าไม่ขัดข้องเขาจะได้ส่งผู้ใหญ่มาจัดการคุณเสวีพลอยพูดทวนคําแล้วก็รู้สึกหน้ามืดเหมือนกับจะเป็นลมคุณเสวีจะมาขอประภายเดี๋ยวก่อนอันขอให้แม่อยู่หายใจไปเดี๋ยวแม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย แต่อันบอกว่าเขาบอกผมไว้นาแล้วล่ะว่าเขาชอบประภัยมากตั้งแต่เขาเริ่มไปมาหาสู่ผมก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนที่ชอบพอกันมาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าไปเขาก็เป็นนายผมก็เลยไม่ขัดข้องแนะนําให้เขารู้จักประภยัยแล้วก็อนุญาตให้ไปมาที่บ้านนี้ได้เขาเป็นคนดีเรียบร้อยอย่างไรคุณแม่ก็เห็นอยู่แล้วคุณเสวีนี่ลูกเต้าเหล่าใคร แม่ยังไม่รู้เลยพ่อเขาเป็นพ่อค้าร่ารวยอยู่แถวสี่พระยาแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วเหลือแต่แม่ก็นั่นล่ละพ่อเขาชื่อเสียงเรียงไรอันต้องบอกให้แม่รู้บ้างจะได้รู้สกุลรุญชาติเขาไว้ก่อนพอถามถึงเรื่องพ่อแม่แต่อันก็กลืนน้ำลายก่อนจะบอกว่าเอ่อพ่อเขาชื่อในหงแท่แต่แม่เขาชื่อสินแต่เดี๋ยวนี้ คุณเสวีเขาใช้นามสกุลว่าเตชสินลูกเจกพรอยหลุดปากพูดออกไปแล้วก็รู้ตัวว่าพูดผิดแต่อันทำสีหน้าว่ารำคาญก่อนจะบอกว่าถึงพ่อเขาจะเป็นเจ็กก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับคุณแม่เพราะคุณเสวีเขาก็เป็นคนไทยแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมาแล้วมากเวลานี้ก็รับราชการมีตำแหน่งสูงมีหน้ามีตาผมเห็นว่าคุณแม่ไม่ควรจะถือ เพราะถ้าจะพูดกันไปตระกูลของเราทางฝ่ายคุณพ่อก็เป็นเจกถึงตรุจจีนคุณแม่ก็ยังให้ผมเส้นไหวปู่ย่าตายายอยู่จนทุกวันนี้แล้วเราจะไปว่าคนอื่นก็เป็นลูกเจกลูกจีนจะถูกแล้วครับอีกอย่างถ้าจะพูดถึงเรื่องเงินทองเขาก็มีมากไม่น้อยไปกว่าฝ่ายเราไม่ต้องห่วงในเรื่องที่เขาจะมาปอกลอกผมเห็นว่าประภัยจะแต่งงานกับใครได้ดีเท่าคุณเสวีก็หายาก เพราะเขามีทั้งความรู้ทั้งเงินแล้วก็ตําแหน่งฐานะคุณแม่จะไม่ต้องขายหน้าใครเขาเลยและประภัยก็จะได้มีหลักฐานแน่นอนอานพูดกับประภัยเขาหรื อ, อยังลูกผมยังไม่ได้พูดพราะนึกว่าควรจะบอกให้คุณแม่ทราบไว้ก่อนแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเรื่องมีเย่ามีเรือนก็เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับตัวประภัยของเขาเองมากกว่าแม่ตั้งใจว่าเรื่องนี้อยากจะตามใจลูกไม่อยากบังคับ จึงอยากถามประภัยดูก่อนจากนั้นตะอั้นก็ลุกไปเรียกประภัยก่อนที่พลอยจะได้พูดจาทัดทานอย่างไรต่อไปพลอยรู้สึกว่าทุกอย่างมืดมนไปสิน้นฟังเสียงตะอัน้นดูเหมือนจะแน่ใจว่าประภัยคงจะไม่ขัดข้องและถ้าเป็นดังนั้นจริง พอยก็คงจะต้องกระอักกระอ่วนเป็นอันมากเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อท่านชายน้อยเสียแล้วอีกครู่หนึ่งตาอั้นก็พาประภัยเดินเข้ามาพอนั่งเรียบร้อยตาอั้นก็พูดขึ้นว่าคุณแม่ลองถามเจ้าตัวเขาเองดูก็แล้วกันนะครับประภัยพี่อั้นเขาบอกแม่ว่าคุณเสบีเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอประภัย แม่เองก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรถูกแต่ประภัยก็รู้จักคุณเสวีเข้าดีอยู่แล้วดีกว่าแม่ซะอีกแม่จึงอยากถามประภัยดูว่าประภัยจะว่าอย่างไรประภัยรีบก้มหน้าลงดูกระดานเลือดฉีดขึ้นบนใบหน้าสีแดงเรื่อทำให้พลอยอดนึกไม่ได้ว่าประภัยในตอนสาวนี้ดูจะสวยกว่ายายแล้วก็สวยกว่าแม่ประภัยก้มหน้านิ่ง แล้วก็พูดเบาๆว่าสุดแล้วแต่คุณแม่และพี่อันจะเห็นสมควรลูกเองไม่ขัดข้องเพราะสำหรับคุณเสวีนั้นลูกเห็นว่าเขาก็เป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งอ้าวแล้วท่านชายน้อยจะว่าอย่างไรพลอยร้องขึ้นโดยไม่รู้ตัวไชอบกับท่านชายน้อยอย่างเพื่อนความจริงท่านชายน้อยก็ดีทุกอย่าง แต่ไพเห็นว่าเป็นเด็กไปถ้าภัยแต่งงานไพอยากแต่งงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนคนนั้นจะต้องมีความรู้แล้วก็ฉลาดพอที่จะนําชีวิตของภัยได้แม่ก็เห็นว่าท่านชายดีทุกอย่างดีทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติจะว่าถึงอายุอานามก็ไม่แก่จนเกินไปถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่พอตัวฉลาดก็เท่านั้น นิสัยใจคอกิริยามารยาทก็เรียบร้อยประภัยคิดดีแล้วเหรอลูกประภัยนั่งก้มหน้านิ่งไม่ปริปากพูดแต่ตาอั้นเป็นคนตอบแทนขึ้นว่าลูกเองก็ชอบท่านน้อยมานานอะไรอะไรของท่านก็ดีหมดแต่มีเสียอยู่อย่างเดียวอะไรอัน้นเสียอยู่อย่างเดียวที่ท่านเป็นเจ้าตาอั้นตอบเรียบ ก่อนจะอธิบายต่อว่าสมัยนี้คุณแม่ก็รู้ว่าเจ้านายมีฐานะอย่างไรถ้าได้เจ้ามาเป็นญาติเราก็อาจลําบากเพราะอาจจะถูกสงสัยบ้างถูกเข้าใจผิดบ้างสําหรับตัวคุณแม่เองอาจไม่เป็นไรนะแต่สําหรับตัวลูกและประภัยนั้นจะทําตัวยากที่สุดภัยก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะประภัยพู้สนับสนุนพี่ชายในที่สุด ความหวังความต้องการของพลอยก็อันตรธานไปเพราะการเมืองหรือความรู้สึกเหตุผล่างการเมืองซึ่งยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวความปรารถนาส่วนตัวอยู่เรื่อยๆพลอยรู้ดีว่าถ้าปัญหาที่ประภัยต้องเลือกสามีนี้เกิดขึ้นเมื่อสักษี่ห้าปีมาแล้วท่านชายน้อยอาจจะเป็นบุคคลที่สมควรที่สุดแต่ตอนนี้ช่านชายน้อยกลับต้องพ่ายแพ้คุณเสวี เพราะเหตุผลอันเดียวที่ท่านชายเป็นเจ้าจึงไม่มีใครนิยมแต่คุณเสวีเป็นคนธรรมดาและมีตำแหน่งฐานะสูงทั้งในทางราชการและการเมืองส่วนชาติสกุลที่พลอยเคยถือว่าเป็นของสูงนั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคเป็นของที่พึงรังเกียจอีกไม่กี่วันต่อมาพลอย ก็ออกปากยกลูกสาวให้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายคุณเสวีที่มาขอทั้งที่ตนเองไม่ได้เต็มใจเลยแต่ก่อนที่จะทำไปเช่นนั้นพรอยได้มีโอกาสพบกับท่านชายน้อยได้อธิบายทุกอย่างให้ท่านชายน้อยฟังและก็บอกว่าท่านชายอย่าเสียพระไทยเลยนึกเสียว่าเป็นบุญเป็นกรรมและหม่อมฉันจะหาถวายใหม่ให้ดีกว่านางประภัยเสียอีก จึงทำให้ท่านชายต้องทรงยิ้มออกมาได้ด้วยความเห็นใจพลอยเป็นที่สุด หลังจากที่ประภัยรับมั่นจากคุณเสวีแล้วท่านชายน้อยก็ห่างเหอนไปในขณะที่พลอยเองนะคะก็โมจะยุ่งเรื่องการจัดเตรียมงานให้กับประภยัยคือถ้าเกิดว่าไม่ยุ่งกับงานของประภัยเนี่ยพลอยก็คงจะต้องรู้สึกใจหายแล้วก็คงจะต้องรู้สึกคิดถึงท่านชายน้อยเอามากๆทีเดียวเพราะว่าเคยมาแล้วก็เคยเจอกันอยู่ทุกวันทุกวันนะคะ สำหรับเรื่องยุ่งยุ่งที่ทำให้พลอยไม่มีเวลาจะไปคิดถึงใครก็มีอยู่หลายเรื่องตั้งแต่การปลูกเรือนหอของประไพคือประไพเนี่ยตกลงกับคุณเสวีว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วประไพจะไม่ออกจากบ้านเดิมแต่คุณเสวีจะต้องมาปลูกตึกอยู่กับประไพในบ้านนี้ จริงๆถ้าเกิดว่าประภัยจะแสดงความประสงค์ออกมาว่าแต่งงานแล้วจะออกจากบ้านไปอยู่กับสามีพลอยก็คงจะไม่ขัดข้องแต่เมื่อประภัยแสดงความจํานงว่าจะเอาสามีเข้ามาอยู่ในบ้านพลอยก็ไม่ได้ขัดข้องอย่างไรแล้วก็ออกจะดีใจนะคะที่ลูกสาวคนเดียวยังอยู่ใกล้ตัวทั้งที่มีเย่ามีเรือนแล้วหลังจากทพิธีมั่นค่ะ ก็มีการปลูกตึกหลังใหญ่ทันสมัยที่คุณเสวีเป็นผู้ออกทุนนะคะพรอยมองดูการก่อสร้างตึกใหม่ด้วยความรู้สึกที่อธิบายได้ยากเพราะว่าตึกใหม่เนี่ยจะว่าไปก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะ พรอยอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่แต่งงานจนกระทั่งเริ่มแก่ชราจนกระทั่งคุณเปลยก็ตายไปแล้วพรอยรู้สึกว่าคุ้นเคยกับบ้านนี้อย่างที่สุดอิดทุกแผ่นต้นไม้ทุกต้นเป็นเหมือนคนเก่าคนแก่ที่อยู่ด้วยกันมานานเมื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพรอยก็ได้แต่มองดูด้วยความเสียดาย อีกอย่างคุณเสวีซึ่งเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พรอยก็เกือบจะไม่รู้จักอะไรกับเขาเลยนะคะและนอกจากนั้นคุณเสวีก็คงจะไม่ได้มาคนเดียวย่อมจะต้องมีผู้คนติดตามมาคนที่มากับคุณเสวีก็จะต้องเป็นคนใหม่ที่พรอยไม่รู้จักอีก การแต่งงานของประภัยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แยกตัวออกจากบ้านไปมีเย่ามีเรือนอยู่ต่างหากแต่โดยเหตุนั้นเองจะกลับกลายเป็นการปลูกเรือนขึ้นซ้อนเรือนแยกบ้านภายในบ้านทําให้มีสองบ้านคนสองชุดอยู่ในบริเวณเดียวกันพลอยตกลงยินยอมให้รื้อเรือนคุณนุ้ยและคุณเนียนที่ตายไปแล้วนั้นลงเพื่อปลูกเรือนหอแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่า ประภายต้องการสนามหญ้าสวนดอกไม้โรงรถโรงครัวและก็เรือนคนใช้ที่เป็นของตัวเองหลังจากตึกออกไปก็ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องหรือเรือนไม้หลังเล็กที่คุณอุ่นอาศัยลงนะคะพลอยก็ต้องรับเอาคุณอุ่นเนี่ยมาไว้บนตึกใหญ่ตอนแรกพลอยตั้งใจว่าจะจัดห้องใหญ่ชั้นบนให้คุณอุ่นอยู่ แต่คุณอุ่นปฏิเสธไม่ยอมบอกว่าแก่แล้วใหญ่ไปขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วก็เลือกเอาห้องเล็กๆแคบๆห้องหนึ่งที่ตึกชั้นล่างเป็นที่อยู่ในการย้ายที่อยู่คราวนี้คุณอุ่นทำด้วยความเต็มใจนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เห็นดีเห็นชอบในการที่ประภัยจะแต่งงานกับคุณเสวีแม่พลอยนี่มีบุญแ ท, ท, ท, ท้ทีเดียวมีลูก ก็ที่ปลูกฝังมีเย่ามีเรือนให้ทันตาเห็นได้ลูกเขยดีมีทั้งทรัพย์ทั้งวาสนาฉันก็ปลอยปลื้มใจไปด้วยจริงๆคุณพี่ก็เลี้ยงปลาไพมาตั้งแต่เล็กปลาไพก็เป็นของคุณพี่เท่ากับเป็นของอีชั้นเหมือนกันถ้าเขาอยู่กันได้ดีมีความสุขคุณพี่ก็น่าจะดีใจแต่ความจริงเขาก็เลือกของเขาเองอีชั้นไม่ได้ไปเกี่ยวเขาเลือกของเขาถูกแล้วละ่ะแม่พร้อย พอฉันเห็นตัวผู้ชายเข้าทีแรกฉันก็นึกในใจทีเดียวว่าอยากได้คนคนนี้ไว้เป็นเคยฉันเห็นสมกับแม่ประภัยแท้ๆทีเดียวคำพูดทั้งหมดของคุณอุ่นพลอยได้แต่นิ่งคือคำพูดของคุณอุ่นนั้นดูจะไปคนละแนวกับของคุณเฉยนะคะเพราะว่าเมื่อคุณเฉยรู้ว่าประภัยรับมั่นคุณเสวีคุณเชยก็มาหาถึงบ้าน และก็ถามตรงๆว่าเรื่องราวอะไรกันแม่พลอยฉันไม่เข้าใจเลยก็เห็นเที่ยวเตยไปไหนมาไหนกับคนหนึ่งแล้วทําไมพอเอาเข้าจริงกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปหรือว่าคนสมัยใหม่เขาทากันอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละคุณเชยอยู่ๆเขาก็มาท้าทามฉันก็ตกใจถามเจ้าตัวเขาดูเขาก็ว่าเขาชอบไม่ขัดข้องฉันก็เลยไม่รู้จะทํายังไง แม่พลอยคิดดีแล้วหรอหัวนอนปลายตีนเขาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จักประภัยนั้นก็เป็นลูกของแม่พลอยถ้าแม่พลอยพูดจาให้จริงๆเขาก็คงจะเชื่อคุณเฉยก็รู้ว่าฉันตามใจลูกในเรื่องอย่างนี้นั่นลหละแม่พลอยบางทีถ้าเราตามใจลูกจนเลยเถิดไปลูกเราเองอาจต้องลำบากก็ได้แต่ฉันก็พูดจาเลอะเทอะเป็นคนแก่เต็มทีเขาอาจจะมีอะไรดีนักหนาก็ได้ เราไม่รู้เราก็ไม่ควรจะพูดไหนๆเขาจะมาเป็นหลานเคยทั้งทีก็ควรจะรักไว้ก่อนเห็นดีไว้ก่อนฉันจะต้องหาเรื่องไปพูดจารู้จักกับเขาเอาไว้สักวันหนึ่งมั้งเนี่ยพอเพิ่มเป็นคนที่รู้เรื่องนี้หลังใครๆทั้งหมดครับหลังจากที่ประภัยมั่นแล้วหลายวันนะคะพอเพิ่มก็มาที่บ้านพลอยก็เลยถือโอกาสบอกห้รูคุณหลวงประภัยเขามั่นแล้วนะแม่ ดีจริงแมพ่พลอยดีใจด้วยอุย้ยดีใจด้วยมากลูกหลานเติบโตเป็นฝั่งเป็นฟ้ากันอย่างนี้ลุงเพิ่มดีใจจริงจริงแล้วก็ได้คู่เป็นเจ้าเป็นนายเสียด้วยอุย้ยฉันดีใจแท้ๆทีเดียวเดี๋ยวก่อนคุณหลวงบางทีคุณหลวงอาจจะยังไม่รู้เออคือคือประภัยเขาไม่ได้มั่นกับท่านชายหรอกนะเขามั่นกับอีกคนนึงอา้าวงั้นเหรอมั่นกับใครล่ะ มขานกับคุณเสวีพรอยบอกให้อย่างไม่สบายใจเพราะไม่รู้ว่าพ่อเพิ่มเนี่ยจะพูดจาว่าอย่างไรนะคะแต่ทันทีที่พรอยบอกไปว่าประภัยมั่นกับคุณเสวีพ่อเพิ่มก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับหลานเคยด้วยคําคาเดียวว่าถุยและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกนะ คือคำคำเดียวจริงๆนอกนอจากพ่อเพิ่มคนที่แสดงความไม่พอใจและก็ออกอาการมากที่สุดก็เห็นจะได้แก่ตาออดธรรมดาแล้วตาออดไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวให้พลอยได้เห็นแต่ในเรื่องคุณเสวีตาออดเคยแสดงอารมณ์ให้ปรากฏแล้วหลายครั้ง รู้ว่าประภัยตกลงใจรับมั่นคุณเสวีแต่ออสก็ตรงมาพูดกับพลอยด้วยสีหน้าอารมณ์ที่ขุนมัวอย่างที่พลอยไม่เคยเห็นมาก่อนคุณแม่รู้หรือเปล่าว่าคุณแม่ได้ทําอะไรลงไปแล้วค่อยๆพูดกันเถิดออสเรื่องประภัยใช่ไหมลูกก็เรื่องนั้นน่ะสิจะมีเรื่องอะไรซะอีกแม่ก็หมดเป็นญาจริงๆไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันเรื่องของตัวประภัยเขา ออสก็รู้ดีว่าแม่ไม่เคยไปออกความเห็นแนะนําอะไรในเรื่องเหล่านี้เลยเขาชอบของเขาแม่ก็ต้องตามใจออสไม่ไว้ใจคนคนนี้สงสัยว่าเขาจะไม่ได้รักประภัยจริงแต่เขาจะรักทรัพย์สมบัติของเรามากกว่าเขาก็ร่ํารวยอยู่แล้วไม่ใช่หรือออสเพราะรวยนั่นแหละถึงไม่น่าไว้ใจคนร่ารวยอย่างนี้มักจะชอบหาเพิ่มเติ ม, ตมไม่มีที่สิ้นสุด ดูเข้าไปก่อนเถอะลูกเราเข้าใจเอาเองจะจริงหรือจริงก็ไม่รู้เรื่องมันก็มาถึงแค่นี้แล้วจะพูดอะไรก็จะทำให้น้องต้องเสียใจไปเปล่าๆเมื่อเขาเห็นว่าของเขาดีก็ควรจะรักษาน้ำใจเขาไว้ดีกว่าสตออดนิ่งไม่ตอบแต่อีกสักครู่นึงสตออดก็พูดขึ้นในเชิงปลารคว่าเรื่องแต่งงานกับคนที่เขาเห็นว่าดีก็พอทำเนา แต่แต่งแล้วจะต้องเอาผัวมาไว้ในบ้านออสจะทนอยู่บ้านเดียวกับไอ้หมอนั่นไปได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้พออก็พูดจาตัดรอนไปเสียทุกทางถ้าออดไม่เห็นกับใครก็น่าจะเห็นกับแม่บ้างออดควรจะเห็นใจว่าแม่รักลูกทุกคนถ้ามีเย่ามีเรือนแล้วออกจากบ้านไปแม่ก็จะต้องว้าเหวคิดถึงเมื่อเขาสมัครใจจะมาอยู่ในบ้านเราแม่ก็ดีใจเป็นธรรมดา เพราะจะได้ประภายเอาไว้ใกล้ๆคุณเสวีเองเขาก็ยังไม่เคยทำอะไรให้ออต้องโกรธหรือว่าเจ็บใจทำไมออถึงพูดจารุนแรงถึงกับจะต้องออกจากบ้านจับช่องผมเห็นใจคุณแม่เป็นที่สุดแต่บางทีผมก็แทบจะอดรนทนไม่ไหวไอหมอน่มันมองผมเหมือนกับว่าผมเป็นอะไรตัวหนึ่งพี่อันเขาทำงานเป็นใหญ่เป็นโตใครๆก็ต้องนับถือ แต่ผมมันเป็นคนเลวต้องก่อคุณแม่กินไปวันวันหนึ่งใครเห็นใครก็ดูถูกแต่ออสพูดอย่างน้อยใจพลอยเกือบจะลั่นปากบอกแต่ออสว่าทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้ง่ายที่สุดก็แค่ต่ออสหางานหาการทาซะคนอื่นก็ไม่สามารถจะมาดูถูกดูแคลนได้แต่เมื่อเห็นแต่อสกาลังโมโหกาลังน้อยใจพลอยก็เลยนิ่งเสียไม่ได้ปริปากพูดจาว่าไง การก่อสร้างเรือนหอของประภัยดำเนินไปเรื่อยๆจนเสร็จเรียบร้อยระหว่างนั้นประภัยดูมีความสุขที่สุดเพราะว่าคุณเสวีเอาใจทุกอย่างแล้วก็ยอมอยู่ในโอวาเชื่อฟังประภัยจะออกสั่งการใดๆนะคะคือไม่ว่าจะออกปากอะไรเนี่ยก็เป็นเหมือนก็เป็นสิทธิขาดถ้าประภัยจะออกปากว่าต้องการสิ่งใดของสิ่งนั้นก็จะถูกส่งมาถึงมือในเวลาไม่ช้าคืออยากได้อะไรก็ได้ อยากเอาอะไรก็หามาให้ทุกอย่างนะคะประภัยก็มีความสุขมากก็ค่ะจนกระทั่งในที่สุดวันแต่งงานของทั้งคู่ก็มาถึงประภัยแต่งงานที่บ้านรถน้ำบนตึกในตอนบ่ายแล้วก็มีงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนเลี้ยงเพื่อนฝูงเหมือนกับเมื่อคราวงานวันเกิดที่พลอยได้เห็นมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าปาร์ตี้ครั้งนี้เนี่ยหรูราวกว่ามาก พลอยได้เห็นในวันแต่งงานของประภัยนั่นเองว่าผู้หญิงเดี่ยวนี้มีความกล้าหาและก็จัดเจนต่อชีวิตแตกต่างกับผู้หญิงเมื่อสมัยพลอยยังเป็นสาวๆอย่างไรพลอยจําได้ว่าตอนที่พลอยแต่งงานนั้นพลอยประมาะและก็อายอย่างหาอะไรเทียบมิได้แต่วันแต่งงานของประภัยดูจะเป็นวันที่แจ่มใสและก็รื่นเริงที่สุด สำหรับตัวเจ้าสาวก็ถือเป็นวันของความสุขเป็นวันของการสวนเสียเหหากับเพื่อนฝูงปราศจากความประมาทปราศจากความขุยอายแต่อย่างใดทั้งสิ้นพรอยนั่งมองดูลูกสาวของตนในวันนั้นแล้วก็อ่อนใจไม่รู้ว่าประภัยไปเอาสติและความกล้าหาญมาจากไหนตื่นแต่เช้าแต่งตัวเสร็จก็ออกมาดูการจัดตกแต่งบ้านดูการจัดดอกไม้ แล้วก็สั่งเสียการงานต่างๆอย่างปกติไปจนถึงตอนกลางวันทําให้พลอยต้องร้องถามขึ้นตอนกินข้าวกลางวันด้วยกันว่าประภัยแม่สงสัยจริงๆว่าวันนี้แต่งงานใครกันแน่เอา้าก็แต่งงานภัยยังไงล่ะคะคุณแม่ประภัยหัวเราะ อ, อย่างรื่นเริงแม่ก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่เห็นเจ้าสาวออกมาวุ่นวายจัดโน่นจัดนี่จนนึกว่าภยัยจะแต่งงานคนอื่น ประไพหัวร้อกิกก่อนจะบอกว่าถ้ามูไปนั่งทาอายอยู่ในห้องจะได้ใครช่วยดูแลเรื่องการงานล่ะคะคุณแม่ก็จะต้องเหนื่อยเท่านั้นเองอะ่ะพอตกบ่ายก่อนได้เวลารดน้ำประไพก็แต่งตัวเข้าพิธีโดยมีเพื่อนฝูงเข้าไปช่วยสองสามคนเพื่อนฝูงเหล่านั้นประไพก็บอกว่าไปเกณฑ์มาสำหรับเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่เพื่อนเจ้าสาวทุกคนตลอดจนตัวเจ้าสาวเอง ก็ดูเป็นงานเป็นการนะะ ค, คือดูรู้งานไม่มีร่องรอยของความประหมาาตื่นเต้นทำให้พลอยรู้สึกทั้งนับถือทั้งแปลกใจเราคนกันไปพลอยรีบแต่งตัวเสร็จก่อนประภัยแล้วก็เข้าไปในห้องที่ลูกสาวกำลังแต่งตัวอยู่เข้าไปนั่งสักครู่ก็รู้ตัวว่าไม่มีหน้าที่อย่างใดจะต้องทำคือไม่รู้จะทำอะไรวางตัวไม่ถูกวันนั้นแขกเกลือที่มารดน้ามีมากจนพลอยประหลาดใจ มีมากจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครจริงๆแล้วทางญาติของพลอยและคุณเปรมก็มีอยู่ไม่กี่คนจะว่าคนที่มาทั้งหมดเป็นญาติของคุณเสวีก็เหลือเชื่อพลอยได้รับคาอธิบายจากตาอั้นว่าคนที่มานั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่เคารพนับถือของคุณเสวีและก็ของตาอั้นเองคนที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญในราชการแผ่นดินก็มีอยู่หลายท่านตาอั้นมานั่งข้างๆพลอยแล้วก็กระซิบ ให้ดูคนนู้นบ้างคนนี้บ้างที่ตาอั้นเห็นว่าเป็นคนสาคัญพลอยมองดูคนใหญ่คนโตที่ตาอั้นชี้ให้ดูแล้วก็แปลกใจเพราะว่าดูไปแล้วก็เป็นคนขนาดน้องหรือว่าขนาดลูกหลานของพลอยไปเกือบหมดคือพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่เด็กๆในความคิดของพลอยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพลอยกออ็น่าจะประมาณสักห้าสิบนะคะ ในความรู้สึกของพลอยผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก5้าสิบหกสิบเหมือนอย่างสมัยพลอยแต่ปรากฏว่าคนใหญ่คนโตในยุคนี้มีแต่คนหนุ่มหนุ่มทั้งนั้นเลยบางท่านก็แต่งทหารบกหรือว่าทหารเรือทำให้ดูมีสง่าราศีภาคภูมิสมกับตําแหน่งแต่บางท่านก็แต่งฝรัง่งอหรือที่เรียกกันว่าแต่งสากลทาให้พลอยซึ่งสายตา ย, ยังไม่คุ้น กดนึกไม่ได้ว่าเหมือนพ่อค้าหรือว่าเหมือนเสมียนห้างดูไม่สมกับตำแหน่งราชการที่ใหญ่โตขณะที่ตะอั้นเคยบอกเอาไว้พลอยอดมองดูแล้วก็นึกในใจไม่ได้ว่าคนใหญ่คนโตสมัยนี้คือกิริยาท่าทางเนี่ยดูยังจะขาดความน่าเกรงขามแล้วก็ดูเป็นหนุ่ม ไม่เหมือนกับคนใหญ่คนโตสมัยก่อนที่พลอยรู้จักการเลือกที่นั่งตลอดจนกิริยาท่าทางของท่านเหล่านี้เวลาออกการออกงานก็ดูจะต้องระมัดระวังตัวอยู่มากเป็นต้นว่าการเลือกที่นั่งก็จะจับกลุ่มอยู่เฉพาะพวกเดียวนะคะไม่ปะปนกับใครแล้วก็ไม่นั่งในที่สูงสูงจนเกินไปเพราะบางที จะกลัวถูกกล่าวหาว่าไว้ยศขณะเดียวกันก็ไม่นั่งที่ต่ำจนเกินไปเพราะกลัวว่าคนจะดูถูกคอยดูคนใหญ่คนโตสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าท่านเหล่านี้ตกอยู่ในฐานะลำบากเพราะว่าได้เดินทางมาถึงฐานะอันสูงนั้นโดยรวดเร็วเกินไปการปฏิบัติตนจึงออกจะยากและไม่ว่าจะไปปรากฏกายที่ไหนตาทุกคู่ก็จะคอยจับจ้องมองอยู่เป็นตาเดียวกัน อยซึ่งออกมารดน้ำประไัยคือรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหลังติดๆกับพลอยแล้วก็กระซิบพลอยว่าฉันเห็นแม่พลอยมองดูผู้มีบุญสมัยใหม่ก็อดพูดด้วยไม่ได้แม่พลอยเห็นเป็นอย่างไรพลอยก็กระซิบตอบว่าคนหนุ่มๆอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นักนะนั่ น, นะสิฉันก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกัน ฉันว่าท่าทางสู้แต่ก่อนท่านไม่ได้นะอย่างแต่ก่อนสมัยเราคนมีบุญถึงจะไปอยู่ที่ไหนพอเห็นก็รู้ว่ามีบุญแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่บอกก็แทบไม่รู้เลยก็เหมากันซึ่งซึ่งหน้าเลยทีเดียวนะคะพลอยก็ห้ามชอยว่าอย่าพูดดังไปบงทีเราสองคนอาจจะแก่ไปเองเที่ยวเหมาใครต่อใครก็เป็นเด็กไปหมด ก็เห็นจะจริงนะแม่พลอยฉันมาแต่งงานที่บ้านนี้สองหนแล้ววันนี้ก็เลยใจหายอย่างไรชอบกลนโหนแรกมาแต่งงานแม่พลอยเองเจ้าสาววันนี้ยังอยู่ปลายอ้อปลายแขนที่ไหนก็ไม่รู้มาคราวนั้นเป็นเพื่อนเจ้าสาวยังสาวอย่างแท่ดัดจริตสิ้นดีมาวันนี้เผลอตัวไปขึ้นกระไดหลังเข้าไปในห้องเจ้าสาวเขาแต่งตัวไปนั่งดูเขาพักหนึ่งพวกเพื่อนเจ้าสาวเขาหันไปกระซิบกันว่า ยายแก่ที่ไหนมานั่งอยู่ก็ไม่รู้จนประภัยเขาหันไม่เห็นเขา้าแล้วเขาก็ทักว่าป้าช้อยนั่นละ่ะเขาถึงได้เลิกมองไม่อย่างนั้นเขาคงไล่ฉันออกมาเสียจแล้วนึกว่ายายปาราที่ไหนมานั่งดูเขาอยู่ได้ฉันดูสาวๆ ส, สมัยนี้แล้วคนนับถือเขาจริงๆทีเดียวนะเขาจะทําอะไรดูมันกระฉับกระเฉงเป็นการเป็นงานทําเอาฉันเห็นไปว่าเมื่อสมัยเรานะ่ะมันเร่อราพิลึกละ ก็กระชับกระเฉงกันไปอย่างนั้นแหละชอยแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เห็นทำอะไรเป็นกับสักคนดีแต่ใช้คนอื่นกับข้าวก็ไม่เป็นเรื่องเสื้อผ้าก็ไม่เห็นจะเย็บเห็นทำเองดีแต่จ้างดอกไม้ดอกไกรก็ไม่เข้าใจเลยไม่มีหรอกที่จะมาเย็บดอกไม้ร้อยมาลลยเป็นเหมือนอย่างแต่ก่อนดูอย่างวันนี้สิก็แจกแต่เพียงบูงาเพราะว่าทาง่ายถ้าถึงแจกมาเัย ฉันเห็นจะต้องนั่งรอให้อยู่คนเดียวจนป่านนี้มือหักไปแล้วละมัง้งพรอยก็มัวแต่เพ้อไม่เข้าเรื่องวิชาความรู้ที่เราถูกบังคับให้เรียนมาแต่เมื่อก่อนนั่นนะ่ะฉันไม่เห็นจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะมันหมดสมัยไปซะแล้วบ้านเมืองดูหมุนเร็วกว่าแต่ก่อนใครจะมามัวนั่งรอใหมาอะไรายอยู่ได้เฮอเห็นจะไม่ทันกินละฉันว่าเด็กๆสมัยนี้ก็กระทำถูกแล้วนะ อย่างเราสองคนมันคนโบราณ น, นานๆก็ทำบูงาหรือว่าร้อยมมลัยช่วยเขาสักทีจะเป็นไรไปว่าแต่วันนี้เถอะถ้าพลอยอยากแจกมมลัยทำไมไม่บอกละ่ะจะได้ไปช่วยคนในวังก็ยังมีอีกถมไปพอจะไัยวานกันได้ฉันก็ถามเขาแล้วแต่เขาไม่เอาเขาบอกว่ารุงรังไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรแจกแต่บูงากับผ้าเช็ดหน้าก็พอแล้ว เพียงเท่านั้นฉันก็เลยทำซะเองไม่ต้องให้ใครช่วยแต่งงานลูกสาวคราวนี้เหมือนกับแต่งคนอื่นฉันเกือบไม่ได้ทำอะไรเลยนะช้อยประภัยเขาทำของเขาเองเกือบหมดดูๆไปก็แปลกเจ้าสาวออกเต้นปรับๆเองฉันกระดากยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ฟังช้อยหวัวเราะนี่แหละวขาบอาคนแก่ละลูกสาวเขาทำของเขาเอง ก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออนี่กลับไม่ชอบและนี่ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้ตัวทําคนเดียวป่านนี้ก็คงจะบ่นปากเปียกปากแฉะไปอีกเหมือนกันแหละพลอยรู้สึกอุ่นใจนะคะที่มีชอยมานั่งอยู่ใกล้ๆเพราะว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันแต่งงานลูกสาวก็จริงแต่พอเห็นคนมามากๆพลอยก็เริ่มประหมาเหมือนกับเป็นวันแต่งงานของตัวเองซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของประภัย ซึ่งประไพยนั้นคล่องแคล่วและก็ดูไม่ประมาอเอาซะเลยพิธีรดน้ำที่เริ่มขึ้นพลอยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยต่อันเป็นผู้เชิญแขกอาวุโสเข้าไปสวมมงคลและก็เริ่มพิธีพลอยก็ได้แต่นั่งแอบอยู่กับช้อยทางหนึ่งจนแขกที่มานั้นผ่านเข้าไปในห้องรดน้ำจนหมดพลอยจึงได้ถูกตาอันมาตามตัวไปรดน้าลูกโดยมีช้อยตามเข้าไปติดๆ พลอยรับน้ำสังแล้วก็มารดน้ำบนหัวของลูกอย่างประนีตบรรจงในใจก็ได้แต่นึกถึงคุณเปรมแล้วน้ำตาก็เริ่มจะซึมซมออกมาประไพยก้มหัวรับน้ำแล้วก็เงยหน้ายิ้มกับแม่อย่างมีความสุขทำให้พลอยค้อยใจดีขึ้นบ้างแต่พอถึงตอนจะรดน้ำคุณเสวีพลอยก็ให้รู้สึกกระดากใจเพราะนึกเห็นคุณเสวีเป็นคนอื่น จะรถน้ำลงบนศีรษะก็เกรงใจดูกระไรอยู่พรอยเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนกับคนเคอะเขินไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำท่าเหมือนกับจะเหมือนกับจะรดน้ำที่มือคุณเสวีแต่คุณเสวีก็ไวพอที่จะหดมือเสียแล้วก็ก้มหัวลงรับทำให้ประไพยก้มหน้าหัวเราะอยู่เบาๆเสร็จแล้วพร่อยก็ก้มหน้าก้มตารีบเดินออกไปนอกห้องแต่ก็ยังทันได้ยินเสียงช้อยซึ่งตามเข้ามาติดๆ ลงนั่งหน้าเตียงรถน้ำนะคะแล้วก็พูดจาตลกขนองให้คู่บ่าวสาวได้หัวเราะ ก, กันอีกพักหนึ่งอีกครู่หนึ่งชอยก็ออกมานั่งข้างๆแล้วก็พูดว่าแม่พลอยนี่พิลึกละ่ะรถน้ำลูกสาวทำไมต้องมือไม้สัน่นดูเหมือนไม่เต็มใจเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้แต่งงานลูก เมื่ออันเขามีเมียเขาก็แต่งกันเสร็จมาจากเมืองนอกถึงคราวประภัยฉันก็เลยตื่นตื่นชอบกลนไม่ได้วหวงกันอะไรหรอกก็ไม่เห็นจะน่าไปหวงอะไรเห็นใครต่อใครก็ลือกันว่าแม่พลอยได้ลูกเขยดีมีทั้งทรัพย์ทั้งวาสนาฉันยังพลอยตื่นไปด้วยออกเป็นกายเป็นกอฉันก็ได้ยินอย่างนั้นจนเบื่อหูเหมือนกันนะ ฟังดูคล้ายๆกับว่าฉันบิ่งเต้นจะขายลูกสาวให้แก่คนที่มียุบซั์แล้วก็มีวาสนาเท่านั้นแต่ความจริงเขาเลือกของเขาเองฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใครจะหาความก็ช่างเถิดพลอยอย่าออกตัวไปเลยถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกเขยของเราแล้วเราทําท่าแม่ยายให้ดีๆก็แล้วกันก็ถึงว่าเถิดชอยฉันก็วีตกอีตรงทําท่าแม่ยายนี่แหละเกิดมาก็ยังไม่เคยเป็นเพิ่งจะมาเป็นแม่ยายคนกับเขาคราวนี้ เขาทำกันยังไงชอยรู้บ้างไหมมันจะไปยากง่ายอะไรนะักหนาเราเป็นแม่ยายคนใหญ่คนโตก็ต้องวางท่าอย่าให้เขาดูถูกได้อย่าไปเข้ากับลูกเราเกินไปนะักทำเป็นหลงๆ ล, ลูกเขยไว้หน่อยถ้าเขามีเรื่องอะไรกันเราก็ต้องเข้าลูกเขยไว้ก่อนแต่พอรับหลังเราก็หนุน ล, ลูกสาวเราไว้คอยคุมให้ดีๆอย่าให้เหลิงไปได้เพราะว่าสัญชาติของผู้ชายอะ ถ้าไม่คุมก็เหลืองครั้นจะคุมออกหน้าก็ไม่ชอบหาว่ากดขี่ต้องทำลับๆ ล, ล่อๆต่อหน้าก็เห็นเหมือนกับว่าเรารักแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจฮ่าฉันทาไม่ได้หรอกตหรับแม่ยายของชอยมันยอกย้อนลับๆ ล, ล่อๆชอบกลนเดี๋ยวเขาจะมารุมฉันตายทั้งผัวทั้งเมียอ้าวแล้วก็ตัวอยางมาถามฉันทำไมล่ะอยู่ๆก็มาเคี้ยวเข็นถามว่า ก็ เ, เป็นแม่ยายกันยังไงเรากะว่าฉันเคยเป็นแม่ยายคนมาแล้วอย่างนั้นหละ่ะตัวก็รู้ดีนี่ว่าฉันไม่เคยเป็นแล้วก็ยังจะมาถามอยากถามมาฉันก็บอกให้แล้วก็กลับไม่เชื่อบาสแท้ๆทีเดียวพลอยหัวเราะในคําพูดของช้อยแล้วก็นึกขอบใจที่ช้อยมาช่วยทําให้ความรู้สึกทั่วๆไปของตนในวันนั้นดีขึ้นอย่างประหลาด มีเพื่อนอย่างชอยก็ดีนะคะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ก็ช่วยแก้อารมณ์ปรับอารมณ์ให้มีความสุขขึ้นคืนนั้นในตอนยามเศดค่ะชอยกลับเข้าวังไปแล้วตั้งแต่ตอนเย็นพรอยก็ได้หลวงโอสดกับคุณเชยเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนพอเพิ่มมารดน้ำหลานตอนบ่ายแล้วก็บ่นงึ้มง่ามว่าเวียนหัวต้องรีบกลับหลวงโอสถกับคุณเชยมีหน้าที่ต้องปูที่นอนตามเิกเวลาสองทุ่มครึ่ง เสร็จแล้วก็มานั่งอยู่กับพลอยที่หน้าตึกแล้วก็นั่งดูแขกหนุ่มๆสาวๆที่ได้รับเชิญมาฉลองการสมรสเดินไปมาทักทายปราสายกันอย่างรื่นเริงที่กลางสนามคืนนั้นบริเวณบ้านได้รับการตกแต่งด้วยต้นไม้และก็ไฟสีต่างๆและดูงามตาจนพลอยเองเกือบจำไม่ได้แขกที่มาทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ล้วนแต่งกายสวยงามตามสมัยนิยม ทุกคนมีสีหน้ารื่นเริงยิ้มแย้มเหมือนกับว่าจะช่วยกันมีความสุขร่วมกับคู่บ่าวสาวในคืนนั้นพรอยกับคุณเชยและหลวงโอสดนั่งอยู่ด้วยกันสามคนเงียบๆห่างจากแขกเรืออื่นๆรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังนั่งดูละครฉากที่สวยงามเวลายิ่งดึกลงไปเสียงนาฬิกาตีสิบครั้งแสดงว่าถึงเวลาใกล้เริกส่งตัวซึ่งกำหนดไว้สี่ทุ่มกับแนาที พลอยเริ่มกระสับกระส่ายเพราะว่ากลัวจะพลาดเลิกแต่อีกครู่หนึ่งตาอั้นก็พาประภัยและคุณเสวีเดินหัวเราะ ก, กันอย่างรื่นเริงเข้ามานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าได้เลิกส่งตัวแล้วครับคุณแม่ตาอั้นพูดขึ้นพลอยก็ขยับตัวจะลุกขึ้นทันทีเพราะว่าจะรีบไปส่งตัวลูกสาวให้ทันเลิกบนเรือนหอแต่ตาอั้นกลับพูดขึ้นด้วยถ้อยคําที่ทําให้คุณเชยกับหลวงโอสถต้องแลดูตา ก, กัน ลงตรงนี้ก็ได้ครับคุณแม่ไม่เห็นจะมีอะไรให้ศีลให้พรเสียหน่อยก็แล้วกันอะไรริมสนามนี่เนี่ยหรอครับไม่เป็นไรหรอกคุณเสบีไม่ถือและประภัยก็ต้องไปรับแขกต่อไปพลอยก็ทําตัวไม่ถูกเลยสิคะทีนี้ก้มตัวลงบนเก้าอี้แล้วก็ให้ศีลให้พรเบาๆสองสามคำประภัยและคุณเสบีก็ก้มลงกราบประภัยหัวเราะจุงมือคุณเสบีเดินออกไปกลางสนาม แต่อันก็อธิบายบอกว่าประภัยกับคุณเสวีเนี่ยเขานัดจะเข้าหออย่างธรำเนียมฝรั่งพลอยก็เลยซักถามว่าเข้าหอแบบธรำเนียมฝรั่งเนี่ยทํากันยังไงตาอันก็อธิบายว่าเจ้าบ่าวต้องอุ้มเจ้าสาวข้ามธรณีประตูบ้านเข้าไปตาอันตอบอย่างเป็นธรรมดานะคะพลอยได้ยินเสียงคุณเชยเอาผ้าเช็ดหน้าอุดปากไอเบาๆอยู่ข้างๆพอต่อันเดินห่างไปแล้วคุณเชยก็บอกว่า แพ่พลอยนี่ก็แปลกมีลูกสะพ้ยเป็นแม่มมาแล้วคนหนึ่งยังจะมาได้ลูกเขยฝรั่งเข้าอีกคนหน้าเวียนหัวพี่ลึกเลยดูเอาเถิดคุณเชยฉันก็กลุ้มใจจริงๆทำเนียมฝรั่งอะไรของเขาก็ไม่รู้โตจนอย่างนี้แล้วยังจะต้องอุ้มกันเข้าบ้านฉันได้ยินแล้วอายจนพูดน่ออกฉันพูดอยู่เสมอว่าฉันนี่เกิดมาได้เห็นอะไรต่ออะไรมามากคราวนี้เพิ่งมาได้เห็นว่า เขาส่งตัวกันกลางแจ้งก็ได้แม่พร้อยก็ก้มหน้าก้มตาส่งลูกสาวได้จริงๆไหนลองบอกชันทีหรือว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยพูดจาว่าอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้หลับผูหลับตาให้ศีลให้พรโมเมไปอย่างนั้นเองไม่ได้ส่งเนื้อส่งตัวอะไรกันหรอกฉันว่าเขาก็ทำถูกของเขาแล้วล ะ, ละแม่เฉยคนแต่ก่อนนั้นก่อนจะแต่งงานกันก็ไม่ได้พบปะคุ้นเคยกันอย่างสมัยนี้ ให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม้แต่หน้าตาบางทีก็ไม่เคยจะเห็นกันพอแต่งแล้วก็ต้องส่งเนื้อส่งตัวกันเป็นธรรมดาแต่คนสมัยนี้เขาดูจักนิสัยใจคอคุ้นเคยกันดีแล้วเข้าถึงได้แต่งเทียงถือเริกส่งตัวอยู่ก็ไม่ทิ้งซะเลยแล้วก็มาขอพรพ่อแม่ฉันกลับเห็นว่าหน้าเอ็นดูดีซะอีกอันนี้คุณหลวงโอสถพูดนะคะคุณเชยก็เลยแซวสามีบอกว่าเออ ฉันก็พึงรู้ว่าฉันมีผัวสมัยใหม่แล้วเมื่อตอนนั้นทำไมคุณหลวงไม่เห็นจะอุ้มฉันขึ้นบรือนบ้างล่ะ mm. ก็ฉันเพิ่งจะมารู้ธรรมเนียมนี่ไม่เชยจะมาอุ้มกันเดี๋ยวนี้ให้ถูกธรรมเนียมก็กลัวเด็กๆมันจูหัวร้อเอา mm. ตั้งแต่วันแต่งงานเป็นต้นมาค่ะ mm. คุณเสวี ก็มาอยู่กับประภัยที่ในบ้านถ้าใครจะกล่าวหาพลอยว่าไม่พยายามคุ้นเคยกับลูกเขยก็ดีหรือหาว่าพลอยไม่เปิดหัวใจให้กว้างขวางพอที่จะรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวก็ดีข้อกล่าวหาเช่นนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเพราะถึงแม้ว่าพลอยจะพยายามเหลือเกินที่จะคุ้นเคยใกล้ชิดกับคุณเสวีแต่ก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคหลายอย่างมากั้นกลางไว้ทาให้พลอย ไม่สามารถเข้าถึงตัวคุณเสวีได้และถ้าจะว่ากันตามจริงแล้วอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็ดูเหมือนจะอยู่ที่ตัวคุณเสวีเองกิริยามารยาทโดยทั่วไปของคุณเสวีตลอดจนถ้อยคาและความเห็นต่างๆที่แสดงออกมาขาดลักษณะที่จะทำให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเองระหว่างคุณเสวีกับพลอยนั้น จริงๆแล้วคุณเสวีก็เคารพพลอยมากแต่วิธีที่คุณเสวีจะแสดงความเคารพนั้นพลอยเห็นว่าเกินไปจนดูเหมือนกับว่าพลอยเป็นคนอื่นเวลาพลอยเดินข้ามสนามไปเยี่ยมเยือนถึงตึกที่ปลูกใหม่เวลาที่คุณเสวีอยู่บ้านคุณเสวีก็ต้อนรับแม่ยายเรากับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติไม่ใช่อย่างคนที่อยู่บ้านเดียวกันคุณเสวี จะแสดงกิริยาอาการนอบน้อมนั่งลุกในที่อันควรแล้วก็พูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพจนกลายเป็นแข็งกระด้างพลอยเองก็รู้ว่าคุณเสวีมีเจตนาดีตั้งใจจะแสดงความเคารพตามควรแก่ฐานะของพลอยที่เป็นแม่ยายแต่เป็นเพราะคุณเสวีไม่รู้วิธีที่จะแสดงตนต่อญาติผู้ใหญ่ด้วยความเคารพอย่างกันเองหรือว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามพลอยก็ให้นึกเกรงใจว่า ตนจะเป็นเครื่องขัดความสุขความสำราญในบ้านของคนอื่นทุกครั้งไปหนักเข้าพลอยก็เลยไม่ย่างกลายไปที่เรือนของลูกเขยนอกจากจะมีธุระจริงๆแต่พลอยก็ยังดีใจว่าการแต่งงานทำให้ประภัยลูกสาวของตนนั้นมีความสุขขึ้นมาก หลังจากแต่งงานประภัยเปลี่ยนจากคนสาวที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไปเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนจะรู้จักตัวเองและความต้องการความปรารถนาของตัวเองทุกอย่างความมั่นใจที่เกิดขึ้นทำให้ประภัยเป็นคนอารมณ์ดีและก็ดูเหมือนว่าจะพูดจา ก, กับพลอยรู้เรื่องมากกว่าแต่ก่อนแต่ความเข้าใจนั้นเป็นแต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไปในบางเรื่องพลอยก็ยังรู้สึกว่า ไม่สู้จะเข้าใจลูกสาวของตนหนักเป็นต้นว่าในเรื่องอาหารการกินในครอบครัวประภัยมาบอกกับพลอยหลังจากแต่งงานแล้วไม่กี่วันว่าคุณแม่คะไพคิดว่าเรื่องสำหรับกับข้าวที่เรือนนั้นไพไม่อยากจะหาคนทำเองเพราะว่าัยไม่มีเวลาดูแต่อยากจะขอให้ทางครัวของบ้านใหญ่ทําส่งไปให้ก็สะดวกดีหรอกนะประภัยแต่แม่เห็นว่าประภัยควรจะดูเองดีกว่า เพราะอะไรจะไปสําคัญไปกว่าดูแลอาหารการกินให้ผัวภไยไม่มีเวลาค่ะต้องไปโนอนมานี่คุณเสวีก็กินง่ายไม่จู้จี้แล้วก็ไม่อยากให้ไพทําด้วยเขาบอกว่ากับข้าวทางคุณแม่อร่อยกว่าพรอยได้แต่ น, นิ่งแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าถึงจะเติบโตมีผัวแล้วก็ยังไม่พ้นอกแม่อยู่นั่นเองใหญ่ประไพเอ้ยอีกเรื่องหนึ่ง ที่พลอยเห็นว่าตนไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยก็คือเรื่องของการมีลูกพลอยเป็นคนรักเด็กใฝ่ฝันที่จะมีหลานเอาไว้เชยชมอยู่เป็นนิดแต่ก็ยังไม่สมปรารถนาได้เลยนะคะพอประภัยแต่งงานแล้วได้สองสามเดือนพลอยก็ถามเปรยเปรยขึ้นวันหนึ่งว่าประภัยจะมีหลานให้แม่ได้เล่นหรือยังยังหรอคะคุณแม่ภัยอยากอยู่ตัวเปล่าไปก่อนยังไม่อยากจะมีลูก ถึงอย่างนั้นก็เถอะของอย่างนี้เนี่ยใครจะไปห้ามได้ไม่มีร่องรอยอะไรบ้างเลยเหรอประภัยหัวเราะอย่างคบขันเสียเต็มประดาก่อนจะตอบว่ายังไม่มีหรอกคา่ะแล้วก็จะไม่มีจนกว่าเราจะเห็นสมควรคุณเสวีเองเขาก็ยังไม่อยากมีเขาบอกว่าเราควรจะสนุกสนานไปก่อนมีลูกแล้วก็ต้องมีภาระเลี้ยงดูหมดสนุกกันพอดีก็ชิงหรอกแต่ของอย่างนี้มันแล้วแต่บุญแต่กรรมนะ ถึงเราจะอยากมีหรื อ, อยังแม่ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวถึงคราวจะมีมันก็มีเองประภัยหัวเราะกิกอีกครั้งนะคะมันไม่ใช่บุญกรรมหรอกค่ะคุณแม่จะมีหรือไม่มีมันอยู่ที่เราต่างหากเดี๋ยวนี้เขาควบคุมกันได้แล้วมีลูกได้ตามใจไม่ได้ปล่อยตามบุญตามกรรมอย่างแต่ก่อนพลอยฟังแล้วก็ใจหายว่าตัวเย็นไปทั้งแถบเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยได้รู้ว่าคนสมัยใหม่ เขาคุมกันได้แม้แต่ลูกที่จะเกิดมาอีกคนหนึ่งที่รับรู้ข่าวแต่งงานของประภัยด้วยอาการที่ไม่พอใจก็คือตะอน้นพลอยมีโอกาสไปเยี่ยมตะอนที่คุกบางขวางระหว่างที่ประภัยมั่นคือเป็นช่วงที่ประภัยมั่นแล้วแล้วก็ก่อนแต่งงานนะคะซึ่งพลอยก็ถือโอกาสนั้นบอกให้ตะอ้นทราบว่า ประภัยตกลงมั่นกับคุณเสวีและจะแต่งงานเมื่อไรตลอดจนฐานะความเป็นอยู่ของคุณเสวีและก็ความสำคัญของคุณเสวีโดยตลอดแต่อ้นยืนฟังพลอยและก็ขบกรามแน่นมือที่กำลูกกรงอยู่เรียกว่ากำจนแน่นจนเห็นกระดูกโคนนิ้วเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็บ่งบอกถึงความรู้สึกในใจได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะแต่อ้นมองไปข้างหน้าตาไม่จับพลอย แล้วก็พูดว่าผมรู้เรื่องละเอียดแล้วคุณแม่ออทเขาเล่าให้ผมฟังก็เป็นธรรมดาที่ไหนอันเขาจะอยากให้น้องเขามีผัวเป็นเจ้าเขาก็ต้องอยากให้ได้กับพวกเขาประภัยเขาก็นับถือพี่ชายเขามากถึงพี่เขาจะไม่พูดเขาก็รู้ใจกันพอที่จะคล้อยตามกันไปได้อ้นอย่าไปฟังตะออทที่มากนักเลยลูก หมู่นี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ยังไงก็ไม่รู้แม่ก็รู้ดีว่าตาออสไม่ชอบคุณเสวีแต่จะให้แม่ทำยังไงได้ในเมื่อเจ้าตัวเขาชอบผมก็เห็นใจคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่มาน้อยใจอยู่ว่าเพราะผมเป็นฝ่ายแพ้น้องสาวก็เลยต้องไปเป็นเมียเขาถ้าทางผมเป็นฝ่ายชนะบางทีก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้พลอยไม่สบายใจ เมื่อได้ยินต่ออ้นพูดเช่นนั้น อ, อ้นเลิกพูดเรื่องแพร้รื่นชนะเสียทีเถิดลูกแม่ไม่สบายใจจริงๆทุกครั้งที่ได้ยินอะไรๆมันก็แล้วไปแล้วไม่มีทางจะกลับไปเหมือนเก่าได้อ้นต้องมาติดพุกทรมานอยู่ก็นับว่าเป็นเวรเป็นกรรมทั้งของอ้นแล้วก็ของแม่ถ้ามัวแต่นึกอาฆาตพยาบาทถือทิฏฐิมานะกันก็จะไม่มีวันหมดกรรมหมดเวรกันได้นึกว่ายกให้แม่สเสถิด แม่อยากให้อ้นทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ลืมเรื่องที่แล้วๆไปซะแล้วก็คิดถึงการข้างหน้าต่อไปถ้าอ้านมีบุญวาสนามาช่วยบางทีก็จะได้ออกมาเร็วๆนี้มาเป็นที่พึ่งของแม่เมื่อแก่แต่อ้นเงียบแต่สายตาที่แข็งกร้าวนั้นกลับมองดูพลอยอย่างอ่อนโยนกลามเนื้อที่กรามและแขนที่เกรงอยู่เมื่อกี้ก็กลับผ่อนหย่อนลง พรอยดีใจที่เห็นว่าถ้อยคําของตนยังสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของตะอ้วนได้ตะอนน้วนมองดูหน้าพรอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเวลานี้ลูกก็มีความหวังเหลืออยู่เพียงเท่านั้นอยากจะใช้กรรมใช้เวรให้หมดไปแล้วจะได้ออกไปสนองพระคุณคุณแม่ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ใครจะเป็นอะไรจะทําอะไรลูกก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แล้ว แม่ขอบใจอ้นลูกแม่ขอให้อ้นทําใจให้ดีๆเถิดไม่ตายเสียเราก็คงจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเหมือนแต่ก่อนถ้าแม่ได้อ้นกลับมาอีกคนแม่ก็จะตายตาลับคุณแม่ถ้าผมจะบอกอะไรให้ขอให้คุณแม่อย่าพึ่งดีใจจนเกินไปแล้วก็อย่าพึ่งหวังจนเกินไปเพราะว่าหากไม่เป็นจริงเดี๋ยวคุณแม่จะต้องเสียใจทีหลัง อะไรเหล่อโอนบางทีผมอาจจะได้ออกไปอยู่บ้านเร็วกว่าที่คาดไว้เพราะว่าผมได้ข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองว่าทางรัฐบาลเขาจะคัดเอาตัวพวกเราไปอบรมแล้วก็ปล่อยตัวไปพลอยดีใจเลือดลั่นสู้ไปทั้งตัวพลอยเหยียดตัวตรงชะงโงกหน้าเข้าไปใกล้ลูกกรงนั้นอีกกิริยาอาการกระปรี้กระเป่าขึ้น เหมือนกับคนสาวๆจิงหรืออน้นจิงหรือนี่คุณแม่ผมบอกแต่แรกแล้วว่าอย่าพึ่งดีใจจนเกินไปถ้าไม่จริงจะต้องเสียใจทีหลังเปล่าๆผมได้ข่าวมาอย่างนั้นผมก็เล่าให้ฟังโถ่อน้นข่าวดีออกอย่างนี้จะไม่ให้แม่ดีใจได้ยังไงแม่ไม่ไดีดีใจอย่างนี้มานานแล้วเจ้าพะคุณขอให้จริงเถิด แม่กลับไปแม่จะต้องบอกให้อ้านเขารู้ว่ามีทางไหนที่จะวิ่งเต้นช่วยเหลือกันได้จะได้ทำให้เต็มที่พลอยยกพรชนม์ขึ้นซับน้ำตาที่ไหลซึมออกมาด้วยความปิติแต่คำพูดอย่างพาซื้อของพลอยทำให้ตะอ้นเปลี่ยนสีหน้าไปบ้างแล้วก็พูดว่าคุณแม่จะไปทำอะไรอีกเลยปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องดีกว่าถ้าเขาปล่อยเราจริงก็เป็นบุญคุณเหลือหลายอยู่แล้ว ผมไม่อยากจะเป็นหนี้บุญคุณใครจนเกินไปกว่านั้นถ้าได้ออกไปตามเกณฑ์ของเขาผมก็จะสบายใจกว่าที่ได้ออกไปเพราะว่าริบคนนั้นคนนี้เที่ยววิ่งเต้นให้พรอยไม่พยายามที่จะถกเถียงอะไรกับตะอ้อนอีกต่อไปเพราะข่าวที่รู้วันนี้เป็นข่าวดีเกินคาดขาดกลับจากบางขวางวันนั้นพรอยรู้สึกตัวเบานั่งเรือกลับมาให้มองเห็นภูมิประเทศสองข้างแม่น้ํานั้น สวยสดงดงามเพราะความสุขที่เกิดขึ้นในใจเนื่องจากความหวังที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นเหมือนแก้วสีสดงดงามมาบดบังลูกตาทำให้สิ่งต่างๆสวยงามไปสิ้นวันเวลาผ่านไป มีข่าวในหลวงเสด็จกลับมาเยี่ยมพระนครข่าวนี้ดูเหมือนจะเป็นสุพนิมิตรที่มีความสัมพันธ์กับข่าวดีที่พลอยได้รับจากตาอ้นนับตั้งแต่ผลัดแผ่นดินใหม่เป็นต้นมาพลอยได้แต่คอยเงียบหูสดับตรับฟังข่าวคราวเกี่ยวกับองค์ในหลวงด้วยความสนใจเป็นพิเศษเพื่อนฝูงของตาอ้านและตาออส บางคนเป็นข้าราชการได้เดินทางไปต่างประเทศและได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทที่โลซานก็มักจะกลับมาเล่าถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของในหลวงและสรรเสริญพระปีชาสามารถต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ประกอบด้วยพระบรารมีเป็นอัจฉริยะผิดกับเด็กอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกันข่าวคราวเหล่านี้พลอยรับฟังด้วยความปลื้มปิติและกระหายทุกครั้งที่ได้ฟังก็มักจะจดจาเอาไว้เล่าต่อไป ให้ญาติพี่น้องญาติมิตรฟังกันทุกคนเมื่อถึงคราวที่จะเสด็จกลับพระนครพรอยจะได้มีโอกาสชมพระรูปโฉมพรอยจึงรู้สึกตื่นเต้นในข่าวนั้นไม่น้อยนอกจากนี้ข่าวในหลวงเสด็จกลับยังทำให้บรรยากาศภายในบ้านของพรอยดีขึ้นทั่วๆวไปเพราะว่าตะอั้นก็ดีตาออสก็ดีตลอดจนประภัยและคุณเสวีต่างพากันพูดถึงข่าวนี้ด้วยความปรติยินดี ต่างคนต่างรอวันที่ในหลวงจะเสด็จกลับมาถึงพระนครด้วยความกระหายอยากชมพระบารมีเป็นพิเศษเมื่อคนที่เคยมีความเห็นแตกต่างกันในหลายเรื่องหลายราวจนถึงกับบาดหมางกันอยู่ในใจมามีวัตถุอันเป็นสิ่งที่รวมความสนใจก็ให้เกิดความปิติยินดีร่วมกันและความหวังร่วมกันดังนี้ความบาดหมางกินใจที่เคยมีอยู่เหมือนกับคลื่นใต้ผิวน้า ก็ดูออกจะเบาบางลงไปและคนทั้งนั้นก็ดูเหมือนจะหันหน้าเข้าหากันด้วยความสามคัคคีซึ่งพลอยเห็นว่าควรจะเป็นปกติวิสัยของครอบครวัวหรือระหว่างบรรดาญาติแม้แต่พ่อเพิ่มซึ่งมึนตึงกับตาอั้นแล้วก็คุณเสวีมาตลอดก็ดูเหมือนว่าจะคลายความมึนตึงนั้นลงพลอยได้ยินตาอั้นถามถามพ่อเพิ่มในวันหนึ่งว่าคุณลุงครับ คุณลุงจะไปรับเสด็จในหลวงไหมไม่ไปได้หรือพ่ออัน้นคนอย่างลุงต้องไปรับเสด็จเสมอแล้วพ่ออั้นละ่ะจะไปไหมพูดโทรถามได้ผมก็อยากเห็นท่านเหมือนจะตายไปผมว่าจะไปแต่วันด้วยซ้ํานัดกับเสวีเขาไว้แล้วว่าจะไปด้วยกันอ๋อพ่อเสวีเขาก็จะไปเหมือนกันหรือไปครับเราว่าจะไปรถคันเดียวกันหมดสะดวกดีคุณลุงจะไปด้วยก็ได้ มีที่ถมไปเอี่าจะดีเหมือนกันพออ่นแวะไปรับลุงที่บ้านด้วยคนก็นแล้วกันแล้วพอใกล้วันก็ น, นัดเวลากันให้แน่นอนอีกทีหนึ่งลุงจะได้แต่งตัวคอยพรอยนั่งฟังคำพูดระหว่างลุงกับหลานคู่นี้ด้วยความโล่งใจเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มืนตึงกันไปนานที่คนทั้งสองพูดจากันเป็นปกติและการที่พ่อเพิ่มรับปากว่า จะนั่งรถไปกับหลานเคยด้วยอีกคนหนึ่งนั้นพลอยก็เห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดที่น่าจะยินดีอยู่ใจของพลอยเองนั้นอยากจะไปคอยชมพระบารมีในหลวงในวันเสด็จกลับอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกที่เคยมีเมื่อตาอั้นและตาออสกลับจากเมืองนอก น, นั้นกลับมาสู่ตัวอีกครั้งหนึ่งอยากจะได้เห็นอยากจะได้ชมในวันที่เสด็จกลับถึงพระนครนั่นเอง จะรอไว้วันหลังๆก็ดูออกจะช้าไปไม่สมกับความรู้สึกยินดีถ้าหากว่าได้เห็นในวันนั้นสักแว บ, บหนึ่งขณะที่เสด็จผ่านพลอยก็จะรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่ความปรารถนานี้พลอยจะพูดกับใครที่เด็กกว่าก็ไม่กล้ากลัวเขาจะหาว่าตื่นเต้นจนแก่เกินวัยแต่เมื่อหักห้ามใจเอาไว้ไม่ได้พลอยก็ต้องหันหน้าเข้าหาช้อยเมื่อช้อยมาคุยด้วยที่บ้านในวันหนึ่ง ช้อยในหลวงเสด็จกลับนี่ช้อยจะไปรับเสด็จไหมพรอยพูดราวกับว่าฉันนี่ใหญ่โตซะเต็มประดาคือเสอะเข้าไปรับเสด็จเขาจะได้ให้ทหารเขี่ออกมานะสิไม่ใช่ฉันหมายความว่าช้อยจะไปคอยดูกระบวนเสด็จบ้างไหมฉันได้ยินเขาว่าจะเสด็จจากตำหนักแพเข้าวังก่อนแล้วจากในวงังก็จะแห่กระบวนรถม้าเพราะที่นั่งไปที่สวนจิตอ๋อ ถ้าขนาดนั้นละก็ไม่ต้องถามหรอกพลอยเรื่องดูแห่แล้วให่ช้อยไม่เคยขาดแล้วคราวนี้ฉันก็อยากเห็นท่านเลือเกินเข้าลือกันว่าน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดฉันก็พลอยใจเต้นตึกตักไปด้วยตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นในหลวงพระองค์เล็กๆเลยก็ถึงว่าเถิดช้อยฉันเองก็เหมือนกันแล้วช้อยจะไปดูที่ไหน พวกในวางเขาชวนฉันไปคอยเฝ้าที่ลานวัดพระแก้วแต่ฉันเห็นไม่สนุกถ้าเฝ้าที่นั่นซะอีกอาจจะเห็นไม่ได้ถ น, นัดเพราะว่าไอเรามันชาววางโบราณเวลาเสด็จผ่านมาก็ดีแต่จะหมอบกราบก้มหน้าก้มตาจะหมอบทำฉ่ม้ฉ่ำไม้ก็กระดากใจตัวเองฉันก็เลยกะว่าจะไปคอยเฝ้านอกวัดตามทางที่รถพระที่นั่งจะผ่านเพราะสนุกกว่าได้ดูผู้คนคลึกคื้นบางทีก็ซื้อขนมกินบ้างอะไรบ้าง และเวลาเสด็จมาเราก็ได้ดูจริงๆใครจะไปรู้ว่าใครเป็นใครฉันไปด้วยคนได้ไหมชอยถ้าแม่พ้อยไปก็ต้องเฝ้าในวัดพระแก้วอ้าวทำไมละ่ะก็แม่เป็นคุณหญิงคุณนายแม่จะไปเดินถนนเบียดกับคนอย่างชันไหวเลอเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปจะลาบากชอยพูดเหมือนกับฉั้นนี่เป็นคนขี้แยไปซะแล้วชอยทาได้แค่ไหนฉันก็ทาได้แค่นั้น ถ้าจะดูกระบวนเสด็จข้างนอกก็ดีเหมือนกันฉันก็ไม่ใช่คนในรั้วในวังทำไปเฝ้าแหนถึงในวัดพระแก้วใครเขาเห็นเขาจะหมานไส้เอาแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ไปไหนนานแล้วอยากเที่ยวเสียบ้างจะได้เห็นผู้เห็นคนฉันน่ะไม่อยากจะไปด้วยเลยลูกของพลอยก็ออกจะเป็นใหญ่เป็นโตไปตามๆกันเดี๋ยวเขาจะมาว่าได้ว่าฉันพาแม่เขาไปเดินตามข้างถนนไม่เป็นไรหลอกช้อย ฉันจะชวนตะออสไปด้วยตะออสคงไม่ขัดแล้วก็จะไม่มีใครว่าอะไรได้เอาไปก็ไปสนุกดีเหมือนกันแกจะเข้าลงกันทั้งสองคนแล้วกลับทําสาวเดินเที่ยว ด, ดูแห่ด้วยกันใหม่พอถึงวันนัดคือวันที่ในหลวงกลับพรอยก็ตื่นแต่เช้าจากนั้นก็รีบขึ้นรถไปลงที่ข้างๆวังหลวง ให้ตาออดคอยอยู่ในรถแล้วตัวเองกับเด็กคนใช้ผู้หญิงก็เข้าไปรับช้อยถึงในวังแม้ว่าพลอยจะไปถึงเวลาคือไปถึงก่อนเวลาเสด็จตั้งหลายชั่วโมงแต่ปรากฏว่าคนที่มาคอยเฝ้าชมพระบารมีตามรายทางก็มีอยู่บ้างแล้วประปรายและเท่าที่พลอยสังเกตคนก็กําลังทยอยกันมาเรื่อยๆ มีทีท่าว่าจะแน่นยิ่งขึ้นทุกทีพรอยไปนั่งคอยช้อยอยู่ในวังเสนาณ์พอกลับออกมาข้างนอกอีกทีพร้อมกับช้อยพรอยก็ต้องยกมือขึ้นรูปอบเพราะผู้คนดูช่างมากมายล้นหลามเต็มถนนหนทางไปหมดเคราะดีที่ออสมายืนคอยรับอยู่ที่หน้าประตูวังไม่ต้องเที่ยวตามหาให้เสียเวลาทั้งสามคนบ่ายหน้าสู่ทุ่งพระเมรุ อันเป็นที่ที่ช้อยบอกว่าคงจะได้เห็นในหลวงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านได้ดีกว่าที่อื่นพลอยต้องเบียดคนหลีกคนไปแต่ช้าๆมือหนึ่งก็กำกระเป๋าถือแน่นเพราะกลัวจะถูกวิ่งราวอีกมือหนึ่งก็กำร่มเอาไว้อย่างทรมัดทะแมงนึกในใจว่าถ้าใครบังอาจ้ามาหยิบช่วยก็เป็นได้เห็นดีกัน ผู้คนมากมายจนกระทั่งพลอยกับช้อยเนี่ยงงนึกไม่ถึงนะคะว่าจะมีคนมากถึงขนาดนี้คือจริงๆก็คงจะคาดการณ์กันเอาไว้แล้วล่ะคะ่ะว่างานเนี้ยคนต้องเยอะแน่ๆเลยนะคะใครๆก็อยากมาเฝ้ารับเสด็สดจในหลวงแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้คนเยอะจริงๆเลยช้อยไม่รู้ว่าหลั่งไหลกันมาจากไหนแต่ก่อนสมัยเรายังเด็กๆ มีงานใหญ่อย่างไรก็ไม่เคยเห็นคนมากเท่านี้ฉันสักจะเมาคนขึ้นมาแล้วล่ะฉันว่าแล้วไหมล่ะนานๆออกมาจากบ้านทีก็เป็นอย่างนี้ล่ะสู่ฉันไม่ได้เดินไปเดินมาอยู่เสมอจนเคยซะแล้วขอไปทีเถอะพ่อคุณชอยร้องบอกเด็กหนุ่มๆที่ยืนหันหลังขวางทันเดินนะคะแล้วก็เอาปลายร่มที่ถือเนี่ยกระตุ้นหลังเขาเต็มรักถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องถูกเรียกว่ามนุษย์ป้านะคะ เด็กหนุ่มคนนั้นก็ร้องสุดเสียงค่ะพรางกระโดดออกจากทางแล้วก็เหลียวมาหัวเราะกับชอยผูโ้โถคุณป้าคุณป้าจะรีบไปไหนพูดกันดีๆก็ไม่ได้ต้องเอาร่มจี้กันด้วยฉันจะไปเฝ้าในหลวงกับเขาบ้างสิพ่อขาชอยตอบอย่างอารมณ์ดีพอเดินห่างออกมาอีกหน่อยชอยก็บ่นพึมพำว่าเด็กสมัยนี้มันไม่รู้จักกลัวจะเกรงผู้ใหญ่กันบ้างเลยพูดจากระาทะเล้นสิ้นดี อย่างนี้ถ้าเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ไม่จับฉีกอกสมดแล้วฉันก็เพิ่งเห็นริชชอยตอนแกวันนี้เองนี่ไปไหนมาไหนก็เที่ยวทิมแทงเขาเต็มเหนียวอย่างนี้หรอก็อย่างนี้แหละฉันถึงได้ไปไหนไปได้ไม่เกรงกลัวใครแล้วก็ไม่มีใครมาเล่นรังแกแต่ก่อนน่ะ เมื่อยังเป็นสาวๆเป็นขังน้ำขังในจะไปไหนก็มีตำรวจมีโขนจ่าคอยไล่คนให้เดี๋ยวนี้เป็นประชาธิปไตยจะไปไหนก็มีเสรีภาพก็เลยต้องไล่คนเอาเองชอยนี่ก็บู๊มากนะคะคือเป็นมนุษย์บ้าที่มีวิดเดตเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่แค่ใครชอยกับพลอยก็เดินมาจนกระทั่งถึงแนวต้นมะขามรอบทุ่งประเมร น, นะคะ แล้วก็หยุดยืนพักร้อนใต้ร่มไม้มองผู้คนที่ผ่านไปมาคนที่มาคอยเฝ้าในหลวงในวันนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวแล้วก็เด็กๆดูเหมือนว่าทุกคนจะแต่งตัวสะอาดสะอ้านเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมแก่โอกาสทุกคนมีใบหน้ารื่นเริงที่เกิดจากความยินดีที่ในหลวงจะเสด็จกลับพอยืนดูอยู่ไม่นานก็รู้สึกตื้นตันคอหอยจะมองไปทางไหน ก็มีแต่หน้าตาของคนที่เป็นมิตรเพราะว่าคนที่มารวมกันอยู่ตามถนนหนทางในวันนี้ต่างมาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือด้วยความจงรักภักดีร่วมกันด้วยความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่ต่างพากันมารับญาติที่รักคนนึงซึ่งกำลังจะกลับมาถึงบ้านความรู้สึกต่างๆที่ร่วมกันนั้นทำให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปราศัยกันฉันมิตรมีความรู้สึกเป็นกันเองทั่วไปหมด คนที่ไม่เคยรู้จักกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันแล้วก็พูดจา ก, กันได้เหมือนขับรู้จักคุ้นเคยกันมานานพรอ ย, ยืนอยู่ใต้ต้นมะขามทางขอบด้านในของทุ่งพระเมนแล้วก็คอยช้อยซึ่งบนว่ากระหายน้ำแล้วก็ไปยืนซื้อน้ำแข็งกินอยู่ใกล้ๆเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งแต่งตัวสะอาดสะอ้านมองดูหน้าพรอยแล้วก็ยิ้มด้วยพรางพูดขึ้นว่าคุณป้าไม่ไปยืนทางด้านริมถนนรือครับ ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเวลาในหลวงเสด็จมาคนเขาบาังหมดไม่เห็นกันขอบใจพ่อคุณป้ากำลังคอยอีกคนหนึ่งอยู่เดี๋ยวก็คงจะร่นเข้าไปเองพลอยมองตามเด็กหนุ่มคนนั้นไปจนลับตาพรางนึกในใจว่าคนที่เกิดมาใหม่ขนาดคราวลูกคราวหลานของตัวนั้นมีอะไรน่ารักอยู่หลายอย่างเพราะมีความกล้าพูดกล้าจากับผู้ใหญ่ไม่มีกระดากแล้วก็แสดงความโอบอ้อมอารีต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่พลอยนึกอยู่ในใจในหลวงก็ทรงพระเยาว์คาแผ่นดินก็ดูจะมีแต่คนหนุ่มคนสาวออกเต็มไปหมดจะมีแต่คนแก่มาปนอยู่บ้างก็คนขนาดเรานี่เองพลอยนึกอยู่ในใจเช่นนี้นะคะสักพักก็จะยินเสียงช้อยมาพูดขึ้นข้างๆตัวว่าไปเถอะพลอยฉันกินน้ำซะอิ่มแล้วล ะ, ละไปยืนคอยดูกันทางริมๆถนนนั่นเถิด พอยก็ไปยืนคออยู่กับช้อยอีกนานนะคะแสงแดดก็ทวีความร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนที่มาคอยเฝ้าในหลวงหลีกเลี่ยงไปไหนเลยคนที่ไม่มีต้นไม้จะยืนบางเงาก็กลางร่มถ้าไม่มีร่มก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์บ้างหมวกบ้างเป็นเครื่องกันแดดทุกคนตั้งใจคอยรับเสด็จอย่างไม่แยแสต่อดินฟ้าอากาศไม่มีใครบ่นว่าร้อนหรือไม่สบาย ต่างคนต่างรอด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มและจำนวนคนก็มากขึ้นทุกทีข่าวว่าเสด็จจากท่าราชบรดิษ์เข้าไปข้างในวังแล้วอีกสักครู่ก็คงเสด็จผ่านทางนี้ไปสวนจิตตาออดรายงานนะคะคือตาออดเนี่ยเดินหายไปครู่หนึ่งเหมือนกับไปสืบข่าวแล้วก็กลับมารายงานพลอยคำพูดของตาออดก็ทำให้พลอยยืนคอยต่อไปได้นะคะด้วยความตั้งใจ เวลาล่วงเลยไปอีกนานและพร้อมๆกันนั้นคนก็ทยอยกันมาจากทางอื่นแล้วก็มาคอยเฝ้าอีกขนหนึ่งที่ริมถนนราชดำเนินนะคะบริเวณถนนราชดำเนินในอ่ที่พลอยยือนอยู่ตอนนั้นเนี่ยมีเมฆก้อนใหญ่มาบดบังแสงตะวันทําให้บริเวณถนนราชดำเนินแล้วก็ท้องสนามหลวงครึ้มไปทั่วความร้อนที่มีอยู่ก็หายไปสิน้นมีแต่ลมโชยอยู่เบาๆ เสียงชอยพูดค่อยๆเหมือนกับจะปรารถกับตัวเองว่าอืมมีบุญเอาการอยู่ใครเหรอชอยในหลวงแผ่นดินนี้นะสิพอก่อนจะเสด็จผ่านก็ครื้นเยือกเย็นทีเดียวพอชอยพูดจบนะคะคนจํานวนนับพันๆก็มีความเคลื่อนไหวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดต่างคนต่างเขย่งปลายเท้าเชเงือมองไปที่ต้นทางเสด็จ เสียงชายโยดังมาจากไกลแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีจนในที่สุดเสียงคนชายโย โ, ยโห่ร้องแสดงความปิตินั้นก็ดังอื้ออึงไปรอบข้างดุดว่าแผ่นดินจะถล่มทลายพลอยหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเหยียดตัวขึ้นตรงเพื่อจะได้เห็นได้ถนัดกระบวนทหารม้านําเสด็จผ่านไปแล้วเสียงเกือกม้ากระทบกับพื้นถนนดังกึกก้องเข้ากับเสียงคน ยิ่งเพิ่มความตื่นตาตื่นใจขึ้นไปอีกรถม้าพระที่นั่งผ่านมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ผ่านเลยไปพรอยได้แต่มองทะลุน้ําตาที่หลั่งไหลออกมากรบลูกตาทั้งสองข้างพรอยแลดูเห็นพระองค์พระเจ้าอยู่หัวก็ได้แต่ร้องพึมพำรรอยู่ในคอว่าเจ้าประคุณเจ้าประคุณไม่มีกําลังใจ ที่จะร้องชัชโยได้อย่างคนหนุ่มสาวที่อยู่รอบตัวหัวใจทั้งหมดดูเหมือนจะหลุดลอยจากตัวไปจดจ่ออยู่กับเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่ใส่หมวกปักขนนกนั่งอยู่บนรถพระที่นั่งแวดล้อมไปด้วยผู้สำเร็จราชการและราชองครักษ์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใหญ่เด็กตัวเล็กๆที่ถูกเครื่องยศพระมหากษัตริย์บดบังจนเกือบจะแลไม่เห็นตัว คงเหลือแต่สายตาที่กวาดมองดูคนเป็นอันมากที่มาคอยต้อนรับโดยประกายตาที่มีแววประหลาดอย่างที่พลอยไม่เคยพบเห็นมาแต่ก่อนประกายที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปปราศจากมนทินและเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีพลอยได้ตนึกอยู่ในใจว่าพระองค์เล็กเหลือเกินไม่ได้นึกว่าจะเล็กถึงเพียงนี้ แต่ช่างน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริงๆใครเห็นใครก็ต้องรักถึงจะไม่ใช่เป็นในหลวงแม้เป็นลูกคนธรรมดาสามัญใครเห็นใครก็ต้องรักอยู่นั่นเองแต่ลักษณะอย่างนี้จะเป็นลูกคนธรรมดาได้อย่างไรถึงจะเอามาเดินอยู่ข้างถนนก็จะต้องรู้ทันทีว่าไม่ใช่คนธรรมดาเพราะพระรูปพระโฉมบ่งบอกชัดเจนว่ามีบุญผิดกับคนอื่นแต่พระองค์เล็กนิดเดียวอย่างมีสง่าราศี จนแทบจะบทบางผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่บนรถเพราะที่นั่งเกือบหมดพรอยืน อ, อยู่กับที่เหมือนกับถูกตรึงไว้น้ำตาไหลพรากลงมาตามใบหน้าด้วยความปิติและความสงสารจับใจปิติที่ได้เห็นสิ่งที่เป็นยอดแห่งความเคารพ บ, บูชาของตนคือพระเจ้าอยู่หัวสงสารเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูคนหนึ่งซึ่งบุญวาสนาหรือโชคชะตาบันดาล ให้ต้องไปอยู่ในฐานะเช่นนั้นความรู้สึกในใจที่เราคนกันอยู่นั้นช่างอธิบายได้ยากแต่ชอยก็มาตอบให้ง่ายๆตามภาษาของชอยโดยวิธีพูดขึ้นใกล้ๆตัวว่าแม่พลอยฉันรักเสียแล้วละ่ะในหลวงองค์นี้ก็แน่ล่ะช้อยใครๆก็ต้องรักในหลวงไม่ใช่อย่างนั้นรักจริงๆไม่ใช่รักอย่างในหลวง มีแต่รักเฉยๆไม่ต้องกลัวรักกริ๊ดกรีตอยากวิ่งเข้าไปกอดไปจูบอย่าลองดีกว่าป้าช้อยใครก็จะไปยอมให้ป้าช้อยเข้าไปถึงพระองค์เสียงตาอัดพูดอย่างขบขันนะคะความจริงช้อยดูเหมือนจะพูดตรงกับความรู้สึกในใจของผู้คนทั้งปวงที่ไปชุมนุมกันอยู่ในวันนั้นเมื่อก่อนที่ได้เห็นในหลวงต่างคนต่างมีความจงรักภักดีและความสนใจ แต่ความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่กว้างขวางพอในหลวงเสด็จผ่านไปได้แลเห็นพระองค์ก็เกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นทันทีเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วคือความรักอันใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวของทุกคนไปความรักที่มีความแน่นแฟ้นและประกอบด้วยความหวงแหนเหมือนกับมีความรักบุคคลที่มีสายโลหิตใกล้ชิดความเกรงขามอำนาจพระราชศักดิ์ของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเคยรักคนอยู่ในความจงรักภักดีนั้นมิได้ปรากฏขึ้นเลยเพราะว่าทั้งฐานะปัจจุบันและพระชนสาของในหลวงมีได้ก่อให้เกิดความเกรงขามแต่ตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดความรักอย่างสนิทสนมเหมือนกับว่าทุกคนเป็นเจ้าของในหลวงและมีความสนใจและความห่วงใยยิ่งกว่าที่เคยรู้สึกมาแต่ก่อนความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นใหม่ในหมู่คนนั้น มีความรุนแรงยิ่งกว่าความจงรักภักดีที่เคยมีมาในครั้งใดๆและด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นใหม่นี้พลอยก็รู้สึกตัวได้ทันทีขณะที่เดินกลับบ้านว่าตนได้มาถึงหลักบอกระยะทางแห่งยุคเข้าอีกหลักหนึ่งแล้วทางเดินจากหลักนี้จะต้องเข้าสู่ฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่อย่างที่พลอยได้รำพึงไว้ในใจตั้งแต่แรก พลอยกลับมาบ้านในวันนั้นด้วยความรู้สึกปลอดปโปรง่งอย่างที่ไม่ค่อยได้เคยรู้สึกมานานความจงรักภักดีที่ประชาชนได้ถวายในหลวงอย่างเห็นได้ชัดแจ้งในวันนี้ทำให้พลอยรู้สึกว่าโลกมนุษย์นี้มีแก่นสารมีหลักมีฐานอย่างไม่หมดสิ้นศรัทธาไปเสียทีเดียวยิ่งในตอนเย็นวันนั้นพลอยได้เห็นลูกๆและพี่น้องต่างคนต่างไปรับเสด็จในหลวง และกลับมาพูดจากันที่บ้านอย่างสนิทสนมในลักษณะที่รื่นเริงหลังจากที่ได้เฉยชากันมานานแล้วนับเป็นจำนวนปีพรอยก็ยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ของจุดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอันดีนี้จุดนั้นอยู่ที่ในหลวงถูกแล้วในหลวงพระองค์เล็กนิดเดียวปราศจากอำนาจราชศัก ปราศจากกิษดาพินิหารใดๆที่จะทำให้คนต้องเกรงกลัวพระบารมีแต่เต็มไปด้วยบุญญาพินิหารที่สามารถก่อให้เกิดความแช่มชื่นความปลอดโปร่งและความกลมเกลียวขึ้นในหมู่คนได้อย่างรวดเร็วกระทันหันภายในเวลาวันเดียวที่เสด็จมาถึงพระนครพลอยรู้สึกว่าวันนี้เป็นสุภาพนิมิต แสดงว่าชีวิตในอนาคตจะรื่นรมปลอดโปร่งต่อไปสิ่งใดหรือคนใดที่สูญหายกระจัดพรัดพรายก็คงจะได้คืนได้กลับมาอยู่ได้กันอีกเหมือนตะกอดข่าวที่ตโอ้นได้กระซิบบอกให้ฟังในห้องเยี่ยมนักโทษเมื่อไม่นานมานี้ว่าตนมีหวังจะได้รับการปลดปล่อยหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้วนั้นดูจะยิ่งมีมูลมากขึ้นทุกวัน เพราะในขณะนั้นก็มีข่าวมาถึงหูพลอยเรื่อยๆว่าผู้ที่ต้องโทษคดีเดียวกับต่ อ, อน้นได้ถูกส่งตัวจากคุกบางขวางมารับการอบรมที่กรุงเทพและเมื่อได้ผ่านการอบรมแล้วก็ได้ถูกปลดปล่อยตัวไปเป็นอิสระกลับไปประกอบอาชีพอยู่กับครอบครัวบุตรภรรยาเป็นปกติ พลอยรู้ข่าวครั้งใดก็ทำให้พลอยปิติยินดีกับคนที่ได้รับการปลดปล่อยนั้นทุกครั้งไปในขณะที่พลอยกำลังมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าชีวิต น่าจะดำเนินไปด้วยดีกว่าที่ผ่านมาคุณอุ่นก็เริ่มล้มเจ็บกระสาะกระแสกตอนแรกคุณอุ่นเริ่มปนว่าเป็นไข้แล้วก็ปวดที่หน้าอกจนนอนไม่หลับพอพลอยไปรับหมอให้มาตรวจอาการหมอตรวจได้ครู่เดียวก็เดินคอตกออกมาบอกว่าคุณอุ่นเป็นโรคเนื้องอกที่หน้าอกอย่างที่เรียกกันว่ามะเร็ง ซึ่งถ้าหากได้ตามหมอมาเสียแต่แรกก็พอจะมีทางผ่าตัดรักษาให้หายได้แต่คุณอุ่นทิ้งเอาไว้นานตอนนี้สายไปซะแล้วนะคะหมดทางรักษาค่ะเพราะว่าโรคนั้นลุกลามเกินไปทางเดียวที่หมอจะทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ยาแก้ปวดทรมานเป็นครั้งคราวจนกว่าคุณอุ่นจะตายซึ่งก็คงจะเป็นเวลาไม่นานนะัก พลอยได้ยินแล้วก็ตกใจจนเรียกว่าตกใจจนตัวชานะคะเพราะไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าอาการของพี่สาวเนี่ยจะร้ายแรงถึงเพียงนั้นพอหมอไปแล้วพลอยก็รีบเข้าไปเยี่ยมคุณอุ่นในห้องคุณอุ่นนอนอยู่บนที่นอนซุบผอมจนเห็นว่าแก่เกินอายุพอพลอยเข้าไปคุณอุ่นก็ยิ้มแล้วก็ถามว่าหมอบอกเธอแล้วหรือ แม่พลอยพลอยก็ได้แต่พยักหน้าเพราะว่าพูดไม่ออกด้วยความตื้นตันใจคุณอุ่นดูเหมือนว่าจะรู้แล้วนะคะว่าอาการของเธอนั้นคือสาหัสขนาดไหนแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะทําใจได้แล้วคุณอุ่นบอกกับพลอยว่าทีแรกเขาจะไม่บอกฉันกลัวว่าฉันจะตกใจแต่ฉันก็ขอให้เขาบอกจนได้ คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องไปตกใจทำไมโถคุณพี่เจ็บไข้อะไรเล็กๆน้อยๆทำไมไม่บอกน้องเสียก่อนหมอเขาบอกว่าถ้ารู้เนั่นๆก็พอจะรักษาให้หายได้แต่เดี๋ยวนี้ช้าไปเสียแล้วช่างมันเถิดแม่พลอยเรื่องมันแล้วไปแล้วถ้ามันเป็นที่นิ้วมือพี่ก็คงจะบอก แต่นี่มันมาเป็นที่หน้าอกหน้าใจพี่ไม่เคยมีเย่ามีเรือนก็ต้องอายเป็นธรรมดาพรอยใจหายไม่ได้ยินคําพูดของพี่สาวคุณอุ่นเป็นสาวมาตลอดชีวิตยอมเจ็บยอมทนเพราะความอายจนเกือบจะถึงที่สุดถ้าคุณอุ่นมีเย่ามีเรือนเคยเปิดอกให้ลูกกินนมมาแล้วบางทีคุณอุ่นก็จะทําใจได้ไม่อายนะคะยอมให้หมอตรวจเสียตั้งแต่ตอนแรกที่มีอาการ แต่คุณอุ่นก็รังเกยียจการมีเย้ามีเรือนเป็นหนักหนาและกลับจะต้องมาตายเพราะเหตุนี้เองอาการไท้ของคุณอุ่นเป็นแต่เพียงระยะเริ่มแรกของการพลิกกลับแผงโชคชะตาพลอยมองดูความเจ็บไข้ของพี่สาวด้วยความเป็นห่วงและคุณอุ่นก็เป็นคนแรกในคนที่เป็นรุ่นพี่น้องที่จะต้องมาตายลงความรู้สึกของพลอยนั้นจึงเป็นเรื่องบอกไม่ถูกพะนอกจากความสงสารแล้ว ยังมีความรู้สึกราคนอยู่อีกอย่างว่าคนรุ่นตนได้ใช้ชีวิตมานานจนมัจจุราชเริ่มจะมาเยี่ยมกลายบ้างแล้วบรรยากาศทางการเมืองทั่วไปที่พลอยเคยนึกว่าแจ่มใสก็กลับมืดครึ้มลงไปโดยกระทันหันอย่างที่มีได้คาดหมายมาก่อนความรู้สึกอันดีที่ทำให้แจ่มใสปลอดโปร่งใจก็ดูเหมือนจะเริ่มเฉื่อยชาลงเรื่อยๆนับตั้งแต่ในหลวงเสด็จกลับไปเมืองนอก กลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคนปราศจากขวัญเรือนที่ปราศจากเจ้าของในระหว่างนั้นใครจะทําอะไรก็ทําได้พลอยเริ่มรู้ข่าวไม่ดีในวันหนึ่งหลังจากที่พ่อเพิ่มมาเยี่ยมไข้คุณอุ่นแล้วก็ชวนตะออดตรงไปซุบซิบกันอยู่ข้างล่างพลอยเห็นคนทั้งสองผู้จาพยักยพเย์ด ก, กันด้วยใบหน้าอันเครําเครียดพอพลอยถามขึ้นว่ามีเรื่องอะไรกันตะออดก็อ้อมแอมแล้วก็บอกว่า พ่อเพิ่มเล่าอะไรให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นเองพรอยก็เลยหันไปคาดคันเอากับพ่อเพิ่มคุณหลวงเอาเรื่องลึกลับอะไรมาเล่าให้ลูกฉันฟังถึงกับต้องจูงข้อมือไปพูดกันสองคนข้างล่างไม่มีอะไรหรอกแม่พรอยเรื่องไม่เป็นเรื่องรู้ไปก็ร้อนใจไปเปล่าๆน่านะพ่อเพิ่มออกตัวนะคะแต่เมื่อเห็นพรอยทำหน้าสงสัยไม่สบายใจ พอเพิ่มก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องยุ่งๆกันอีกลนะแม่พลอยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเล้าร็อกฉันได้ยินมาว่าเขาออกจับกันใหญ่ในวันนี้จับไปตั้งยี่สิบกว่าคนมีทั้งทหารตำรวจและเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์เอากันอีกแล้วหรือคุณหลวงเรื่องอะไรกันไม่รู้จักจบจักสิ้นกันสักทีน่าราคาญแทนเรื่องมันจบสิ้นกันยากแม่พลอยเอ้ย หากคนเรายังมักใหญ่ใ่สูงแย่งอำนาจวาสนากันก็กรรมทำเวรให้แก่กันเวรมันก็ต้องตอบเวรเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดฉันก็เห็นจริงอย่างที่คุณหลวงว่ากรุ่มใจเต็มทีคราวนี้มีเจ้านายด้วยหรือเขาจับกันด้วยเรื่องอะไรเจ้านาะยมีแน่ฉันสูงๆเสียด้วยเหตุที่เขาจับก็เรื่องคบคิดกันก่อการร้าย จะคิดกระโบดกันนั่นแหละจะมีอะไรซะอีกคุณรวมรู้ไหมแต่ก่อนเมื่อเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวดูคนช่างคิดกระบฏกันยากเสียจริงๆแต่เดี๋ยวนี้คําหนึ่งก็กระบฏสองคำก็กระบดดูเป็นกระบฏกันไปทั้งเมืองจนฉันไม่รู้ว่าจะฟังข้างไหนถูกแล้วนี่จะพูดจะจาอะไรระวังปากระวังคอซะบ้างแม่พร้อย คนมีบุญมีวาสนาเขาอยู่ในบ้านนี้ตั้งสองคนเขาอยู่คนเดียวไม่พอยังจะยกน้องสาวเขาให้พวกพ้องแล้วก็พากันเข้ามาอยู่อีกเขาได้ยินเข้าเขาจะไม่ชอบเขาจะมาเล่นเอาชั้นเข้าคุณหลวงก็ชอบเอาเรื่องการเมืองบกเข้ามาใส่บ้านเช่นเสียจริงๆทีเดียวคุณหลวงก็รู้ดีว่าคนในบ้านนี้ก็มีแต่ลูกหลานจะมาถือสาหาเรื่องอะไรกับเด็ก พลอยก็ชักไม่ค่อยพอใจนะครับพอเพิ่มก็เลยบอกว่าเดีย๋ยวโกรธฉันเลยนะแม่พ้อยฉันคงไม่พ้นตารางไปนานบล็อกถ้าบานเมืองเป็นอย่างนี้ก็ถ้าคุณหลวงชอบไปยุ่งกับเขาก็คงไม่พ้นจริงๆฉันเห็นจะต้องไปปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆคุกได้แล้วมั้งเนี่ยพอลูกจะออกจากคุกมาได้คนหนึ่งพี่ชายก็จะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแทนแต่ออสก็เลยพูดเตือนขึ้นเบาๆว่า คุณแม่ครับเรื่องที่พี่อ้นจะออกจากคุกนั้นคุณแม่อย่าเพิ่งหวังอะไรนะักทําไมหรือออสข่าวหมูนี้มันไม่ค่อยจะดีพเพราะก็มีเรื่องมีราวยุ่งยุ่งกันเขาก็เลยเลิกเอาตัวพวกพี่อ้นมาอบรมซะแล้วออสหมายความว่าเปล่าเปล่าออไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ปล่อยเสียเลยหรอกแต่ถ้ามีเรื่องยุ่งยุ่งอย่างนี้บางที บางทีก็อาจจะช้าไปบ้างเท่านั้นเองคำพูดของตาออดทำให้พลอยยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจยิ่งขึ้นยิ่งสงสารตาอ้นจับใจเพราะความอิสระและความสุขในชีวิตมารออยู่แล้วใกล้ๆแต่เหตุไฉ น, นการกระทําของคนอื่นกรรจากแหล่งอื่นจึงมาคอยบันดาลให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ตาอน้นอันเป็นผลสะท้อนมาถึงพลอยได้อยู่เรื่อยๆ อย่าไปเก็บเอามาคิดให้มากเรื่องไปเลยนะแม่พร้อยจะเป็นทุกเป็นร้อนเดี๋ยวจะเจ็บไท้ไปอีกคนแต่คำพูดของพ่อเพิ่มก็ไม่มีกำลังที่จะปลอบประโลมใจอะไรได้ความหวังที่เคยมีเกี่ยวกับอิสรภาพของตะอ้นกำลังเลื่อนลอยหายจากตัวไปอีกอย่างไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาเมื่อไหร่ในส่วนอาการเจ็บป่วยของคุณอุ่น ก็มีแต่จะยิ่งสุดลงไปทุกทีพรอยเอาใจใส่ดูแลพยาบาลอย่างสุดความสามารถโดยมีคุณเชยเป็นผู้คอยช่วยเหลือดูแลอีกคนหนึ่งคุณอุ่นต้องทรมานอย่างหนักเนื่องด้วยความเจ็บปวดของโรคแต่คุณอุ่นก็พยายามอดทนอย่างสุดขีดมีได้ออกปากบน่นหรือว่าร้องในยามที่เจ็บปวดอย่างมากก็เพียงแต่ครางเบาๆพลอยนั่งดูอาการของพี่สาวแล้วก็เศร้าใจ เห็นว่าชีวิตนั้นไรสาระเงินทองทรัพย์และวาสนาที่คุณอุ่นเคยใฝ่ใจต้องการนั้นดูไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรใครได้ถึงแม้ว่าในขณะนี้คุณอุ่นจะได้สิ่งที่เคยต้องการมาทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นก็เพียงแต่จะช่วยให้คุณอุ่นรอดพ้นจากความเจ็บปวดก็ไม่ได้คุณอุ่นพูดกับพลอยและคุณเชยในระหว่างที่เจ็บว่าแม่พลอย ไม่เชยพี่ขอบใจเธอจริงๆที่อุตส่ามารักษาพยาบาลในยามนี้เธอทำหน้าที่น้องได้ถูกต้องเต็มทีทั้งสองคนพี่ขอบใจแต่ยังเสียใจอยู่อย่างเดียวทิตก่อนพี่ไม่ได้เป็นพี่ที่เมตตากรุณาต่อน้องๆให้ทั่วถึงกันพี่เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจแต่ก็นั่นละเวรกรรมของพี่ก็เห็นกันอยู่แล้วยังจะต้องทรมานไปอีกสักกี่วันเท่านั้น แม่พลอยพี่เป็นห่วงประภัยอยู่คนเดียวเพราะพี่ได้เลี้ยงดูมาแต่เล็กคุณที่ไม่ต้องเป็นห่วงเขามีเย่ามีเรือนเป็นหลักฐานแล้วดิฉันก็ยังอยู่อีกทั้งคนคุณอุ่นยิ้มมองดูหน้าพลอยแล้วก็พูดต่อไปว่าความจริงพี่ก็ไม่มีอะไรจะห่วงเห็นจะเป็นด้วยรักประภัยเขามากเท่านั้นเองประภัยเหมือนเธอมากนะแม่พลอย ที่ไม่ได้รักเธอเมื่อเด็กๆ ก, ก็เลยต้องมารักประภัยแทนพรอยฟังคำพูดของคุณอุ่นก็ได้แต่ก้มหน้าร้องไห้แต่คุณอุ่นก็ยังมีบุญเบื้องหลังมาช่วยเหลือไว้มิให้ต้องอยู่ทรมานกับโรคร้ายไปจนถึงที่สุดคุณอุ่นเมื่ออายุมากเป็นคนผอมอยู่แล้ว เมื่อมากระทบโรคร้ายที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดร่างกายของคุณอุ่นก็ซุดโทรมลงไปโดยเร็วและในวันหนึ่งคุณอุ่นก็หลับไปโดยไม่มีวันจะตื่นขึ้นมาอีกเพราะหัวใจคุณอุ่นหยุดทำงานในระหว่างที่ตัวหลับความตายที่มาถึงคุณอุ่นทำให้พลอยรู้สึกว่าตนแก่ลงไปถนัดใจ ยิ่งมองดูคนที่เคยเห็นกันมาแต่เด็กๆ ก, ก็ยิ่งเห็นว่ามีเหลือเพียงสองสามคนแต่ละคนก็มีอายุมากเข้าขั้นชราไปแล้วทั้งสิน้นจัดงานศพคุณอุ่นเสร็จไปแล้วภายในเวลาสิบห้าวันตามที่คุณอุ่นสั่งพอพรอยได้มีเวลาจะเริ่มหายใจตะออดก็เดินเข้ามาหาในวันหนึ่งแล้วก็บอกว่าถุนหัวของลูก ลูกเกิดมามีเวรกรรมต้องเอาเรื่องที่เป็นความทุกมาบอกให้แม่รู้ทุกทีไปแม่พร้อมที่จะรับความทุกอีกเรื่องหนึ่งหรือยังปร่อยลูกผัวตอออสถอนใจบอกไปเถิดออสแม่ปรงได้แล้วสำหรับทุกเรื่องอะไรอีกหลักคราวนี้ยเรื่องพีอ่อ้นเขาไม่ปล่อยอ้นอีกแล้วหรือต่อออสพยักหน้ายิ่งกว่านั้นไปอีกแม่ เขาส่งตัวพี่อ้นไปอยู่เกาะทางปักใต้พรอยพยายามกัดฟันแข็งใจไม่อยากแสดงอาการให้ตะออสต้องวิตกจะไปเมื่อไหรอ่ออสเขาส่งไปแล้วเมื่อสิบกว่าวันที่ผ่านมานี่เองพี่อ้นก็ขอลูกว่าอย่าให้บอกคุณแม่ก่อนเพราะเกรงจะต้องลำบากไปเยี่ยมเยียนส่งเสียเพราะว่าระหว่างนั้นคุณแม่ก็ยุ่งงานศพคุณป้าดูเอาเถิดออ พี่อ้นเขาทุกข์แสนทุกข์เขายัางอุตส่าห์เป็นห่วงแม่กลัวว่าแม่จะลาบากแล้วเขาว่ายังไงอีกบ้างพี่อ้นบอกว่าไปอยู่ที่เกาะตะลูเตาอาจสบายกว่าอยู่ในคุกก็ได้ได้ยินว่าที่นั่นเขาปล่อยให้เป็นอิสระมากกว่าและอากาศก็คงจะดีกว่าเพราะอยู่ชายทะเลคุณแม่ควรจะดีใจแม่ไม่กล้าจะดีใจอะไรเสียแล้วออดีใจแล้วก็ต้องเสียใจสลับกันไป ออสคอยช่วยดูให้แม่ทีเถิดถ้าพี่อ้นเขาไปอยู่ทางโน้นเขาต้องการอะไรก็ช่วยแม่หาให้ด้วยพี่อ้นเขาว่าเขาไปถึงแล้วเขาจะส่งข่าวมาถึงคุณแม่เองพรอยหันหน้าเดินเข้าห้องนอนแล้วก็ทอดตัวลงนอนอย่างเหนื่อยอ่อนรำพึงอยู่ในใจว่าชีวิตหนอชีวิตช่างมีเรื่องมากเสียจริงๆข่า ง, งหน็ดเหนื่อยอะไรเช่นนี้